ช่วงบ่ายจะได้บรรยายธรรมะต่อไปนะครับช่วงบ่ายหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จใหม่ๆนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสักนิดหนึ่งนะก็เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของพวกเราก็มีทั้งช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งช่วงเวลาที่สะดวกสบายแต่ทุกช่วงเวลามันก็มีลักษณะเดียวกันคือ มันต้องหมดไปต้องสิ้นไปนะเราก็ต้องให้มันสิ้นไปอย่างถูกต้องก็คืออยู่ในมรรคนั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นทุกๆอย่างในชีวิตเรานีนถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงเห็นถูกต้องเราก็สามารถนำมาเป็นเครื่องสอนจิตใจของเราแล้วก็มาฝึกขัดพัฒนาตนเองดำเนินไปในมรรคได้จนมันเต็มที่สมบูรณ์ในวันหนึ่ง าทานองนี้นะครับอันนี้ทุกท่านก็อย่าลืมฟังเรื่องอริยมรรคมีองค์8ไว้ให้ดีๆแล้วจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะครับสำหรับวันนี้ผมมาพูดธรรมะให้ฟังในหัวข้ออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติเรียกว่าถ้าเข้าใจหมวดนี้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้ตรงและก็ถูกต้องนะ จะได้ไม่ไปวุ่นกับเทคนิคนั้นเทคนิคนี้อันนั้นอันนี้เล็กๆน้อยๆ น, นะเพราะนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะซึ่งเราจะทำก็ได้หรือจะทำอย่างอื่นต่างจากนั้นก็ได้แต่ตัวประเด็นที่สำคัญก็คือตัวมรรคแนี้ต้องมีนะต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงถูกต้องอยู่ในใจของเราต้องมีปัญญาตัวนี้ต้องมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยอยู่ คือต้องมีปัญญามีศีลมีสมาธาิตัวดำเนินงานหรือตัวพาเข้าสู่มรรคก็คือตัวปัญญาตัวสัมมาทิฏฐินี่ต้องมีก่อนเขาเลยเพราะว่าเป็นตัวหัวหน้านะครับวันนี้ผมมาพูดให้ฟังก็ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้4ประเด็นด้วยกั น, นประเด็นก็อยู่ในหนังสือที่ที่ผมเขียนเอาไว้นะครับแต่วันนี้มาพูดย่อๆนะ ท่านใดที่ฟังแล้วสนใจอยากทราบรายละเอียดต่างๆมีพระพุทธพจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรโน้นพระสูตรนี้อ้างอิงไว้นะก็อย่าลืมไปอ่านนะครับ4ประเด็นที่พูดถึงก็มีประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องความหมายความหมายของอริยมรรคนะก็คืออริยะก็แปลว่าห่างไกลห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายทั้งหลายห่างไกลจากความทุกข์ความวิตกกังวลและสิ่งเลวร้ายสิ่งน่ากลัวทั้งหลายสิ่งน่ากลัวที่สุดในจักรวาลนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั้นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นอุปสรรคเป็นขวากหนามสาคัญนะถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญทั้งนั้นมันเป็นอุปสรรคขวากหนาม ต่อให้อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วมันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามันเป็นอุปสรรคเป็นขากหนามเหมือนเราจะเดินทางไปที่แห่งหนึ่งแต่มีขากหนามเต็มไปหมดเลยเราคงไปไม่รอดนะที่ไปไม่รอดนี้ก็เพราะมันมีตัวขวางเพียบเลยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามันก็เป็นขบวนกันมาคงจะสู้ไปไม่ได้เลยนะอย่างนี้ ก็เป็นอันตรายมากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทุกท่านจึงควรเห็นโทษของมันทำให้เราเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเยอะทำพิธีนั่นพิธีนี้มากมายแต่ว่าไม่มีผลต่อการละกิเลสเลยและเราก็ไม่ได้เจริญเพราะพิธีเหล่านั้นเลยแต่เราก็ต้องทำอันนี้มันโหดร้ายสำหรับเรามากนะเราอุตส่าห์ทำเสียเงินเสียทองไปเยอะเสียเวลาไปเยอะไอ้ครั้นจะไม่ทาก็ตก อ, อกตกใจเพราะเขาขู่ไว้ว่า ท้าไม่ทาผีจะมาบิดพุงนะเดี๋ยวผีมาบีบคอนะอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไปอีกนี่ก็มีแต่เรื่องให้เราเครียดทําแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่ทําก็กลัวอีกเนี่ยมันวุ่นเห็นไหยนี่มิจฉาทิฐิมันขัดขวางความสุขความเจริญนะขัดขวางความก้าวหน้าของพวกเรานี่แหละนะอริยะก็ห่างไกลาจากกิเลสเหล่านี้ห่างไกลาจากมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกปะเนี่ยก็ห่างไกลาจาก ทุกทั้งหลายด้วยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับห่างไกลจากอบายห่างไกลจากเรื่องไม่ดีทั้งหลายส่วนมร ก, ก็มีสองความหมายด้วยกันนะความหมายที่หนึ่งก็หมายถึงทางดำเนินหมายถึงปฏิปทาเป็นปฏิปทาเป็นทางดำเนินสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขความปลอดโปร่งสบายหรือพูดแบบคนรู้เรื่องก็คือ ผู้ที่ต้องการจะถึงนิพพานเนี่ยจำเป็นจะต้องมาเดินทางนี้ผู้ต้องการสงบจะต้องจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้นะเพราะมันไม่มีทางอื่นนั่นเองถ้าต้องการความสงบจะต้องเห็นให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องจะต้องมีปัญญามีศีลมีสมาธิเรียกว่ามันจำเป็นมันจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับผู้ที่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องการพ้นจากอิเลส ต้องการเป็นอิสระนีความหมายของมรรคความหมายที่1แปลาว่าทางแปลาว่าปฏิปทาที่จําเป็นอย่างนี้ทํานองนี้นะครับความหมายที่2แปลาวาาา่าเผาทําลายฆ่าศึกฝ่ายตรงข้ามได้ฆ่าศึกฝ่ายตรงข้ามที่คอยแต่ทําร้ายเราอยู่เสมอก็คือกิเลสนั่นเองนะเป็นพยมานคอยที่จะขัดขวางคอยฆ่าเราอยู่เรื่อยเราดูเหมือน จ, จะเจริญอยู่เรื่อยนะ แต่ก็ตายอยู่เรื่อยเหมือนกันนะดูเหมือนจะมีบุญอยู่เรื่อยแต่ก็สิ้นบุญอยู่เรื่อยเหมือนกันนะอุตส่าห์ตั้งใจมาฟังทรรมแต่แค่ง่วงนอนเท่านั้นแหละนะสิ้นไปแล้วนะตั้งใจฟังทรรมตั้งใจมานี้มันเป็นบุญนะแต่บุญน้อยไปหน่อยหรือบุญสั้นไปหน่อยนะพอมานั่งฟังไปแล้วก็ง่วงนอนขี้เกียจก็เอาละตาชักจะลืมไม่ขึ้นแล้วไหนหนมันก็ลืมไม่ขึ้นก็หลับต่อก็แล้วกัน กี่เกียดลืมมาแล้วเพาทั้งดึงทั้งฉุดทั้งกระชากลากถูมันก็ไม่ไปไหนแล้วนะห่วงแต่ว่าไม่มีหมอนเท่านั้นแหละเนาไหนไหนไม่มีหมอนก็นั่งหลับเอาก็แล้วกันหนังตาแล้วไม่ต้องดึงขึ้นแล้วเพราะดึงยังไงมันก็ไม่ขึ้นแล้วนี่ก็คิดไปนี่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะอย่างเนี้นะนี่ก็เป็นศัตรูศัตรูสําหรับพวกเรานะเป็นตัวขัดขวางความเจริญ น, นะครับขัดขวางความก้าวหน้าขัดขวาง ความสุขทำลายเราเนี่ยให้จมลงไปนะในช่วงนี้ยุคนี้กำลังมีพระพุทธศาสนามีที่อาศัยก็คือศาสนาของพระพุทธเจ้าดำรงอยู่นะถ้าเราไม่รีบเนี่ยมันก็เสียหายกิเลสมันก็จะแหม่ยิ่งถ้าไปเกิดชาติหน้านี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเจอคำสอนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็พวกกิเลสก็ทำให้เราตกต่ำลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจึงต้องรู้จัก มักก็จะเป็นตัวมาฆ่ากิเลสเผาทำลายกิเลสเหล่านี้นี่แหละเผาทำลายทุกท่านก็เลยต้องมีมักมีสัมมาทิฏฐินี่ ม, มาฆ่ามิจฉาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปานี่มาทำลายหรือมาฆ่ามิจฉาสังกัปปะเนี่ยมีต้องมีสิ่งเหล่านี้มีปัญญาหรือแสงสว่างมาฆ่าความมืดออกไปไม่อย่างนั้นความมืดก็จะฆ่าเรานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ ฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไว้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยนะเป็นธรรมจักเป็นธรรมาวุธหรือแล้วแต่จะเรียกชื่อนะเป็นธรรมจักที่พระพุทธเจ้าของเราทรงประกาศเอาไว้ที่ปาอิสิปันะมรขคาทายวันเป็นจักจักจักก็คืออาวุธนะเป็นอาวุธคือธรรมเป็นธรรมจัก าอาวุธที่สามารถทําลายฆ่าศึกคือกิเลสในจิ ต, ตสันดานของสัตว์ทั้งหลายได้รวมทั้งพวกเราด้วยถ้ามีมรรคแอยู่ในจิตนี่ก็จะสามารถฆ่ากิเลสได้อย่างนี้อาวุธอื่นนี่มันฆ่ากิเลสไม่ได้นะฆ่าได้แต่คนแต่ว่าฆ่าแล้วมันไม่ตายจริงมันตายแล้วก็จริงแต่มันเกิดใหม่นะก็อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆฆ่าคนได้จนกระทั่งเกือบหมดโลก มันก็ไม่ตายจริงหรอกเพราะมันไม่หมดกิเลสถ้าแล้วตายแล้วมันก็เกิดใหม่อยู่ดีอย่างนี้ส่วนอาวุธที่มีอนุภาพในการทําลายล้างกิเลสได้ก็มีแต่ธรรมะนั่นเองธรรมะในที่นี้ก็คือมักแปนะมักแปนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมจักรอาวุธคือธรรมะสําหรับฆ่ากิเลสในจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลายได้ กิเลสนี้มันอยู่ในจิตสันดานจิตที่เกิดดับต่อเนื่องไปเนี่ยมันมีกิเลสอยู่นี้มันยังไม่หมดมันเป็นความเคยชินอยู่เป็นอนุสัยอยู่เมื่อกระทบอารมณ์มันก็ขึ้นมาเรื่อยนะห้ามมันก็ไม่ได้ด้วยนะจะต้องฝึกจึงจะฆ่ามันได้เจอของดีเนี่ยมันก็รักชอบใจเจออาหารอร่อยนี่มันก็แหม่มันก็ติดใจนะเจอของไม่ดีมันก็เกลียดเจออาหารไม่อร่อยมันก็ไม่เอา นี่มันนิสัยไม่ดีนะมันเป็นอนุสัยที่ติดอยู่นะนี่อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอนุสัยเป็นความเคยชินอยู่ในจิตสันดานของเราทั้งหลายที่เกิดดับต่อเนื่องกันมาถ้าไม่มีมรรคมันทําลายมันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อรื่อนี้ก็เป็นอย่างนี้จนถึงชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะก็มีแต่อริยมรรคเท่านั้นที่จะทําลายกิเลสเหล่านี้ได้ถอน อนุสัยต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ถอนสังโยชน์ขึ้นมาได้นี่ความหมายของมัชความหมายที่2นะครับ น, นี่พูดประเด็นที่1คือความหมายของอริยมัชนะครับประเด็นที่2ก็พูดถึงความสมมามาํ า, า, ส ค, าสคัญก็มีเยอะแยะมากมายคุณค่าประโยชน์อนิสงส์ความสําคัญก็มีเยอะแยะในพระสูตรต่ตางๆพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ที่ผมพูดไปเมื่อเช้าก็มี4ข้อเนาะก็เอาย่อ ให้พออยากอยากจะได้มักกับเขาบ้างนะจริงๆก็แค่พูดชื่อนี้ก็อยากได้แล้วหลายคนนะนะนะก็พูดให้ครบสมบูรณ์ตามประเด็นต่างๆเท่านั้นเองนะประเด็นที่1เรื่องของคุณค่าคุ ณ, ณประโยชน์ของอริยมรรคก็คืออริยมรรคนั้นเป็นสังขารธรรมที่สูงที่สุดยอดที่สุดสังขารธรรมก็คือธรรมะที่เป็นฝ่ายสังขารฝ่ายสังขารก็คือมันทาขึ้นมาได้ ปลูกขึ้นมาได้ปรุงขึ้นมาได้นะสัมมาทิฏฐินี้ก็เป็นฝ่ายสังขารเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ถึงแม้จะยังไม่มีเนี่ยก็สามารถทำให้มีขึ้นมาได้เราก็ไปศึกษาหาวิธีทาให้เกิดมีพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีที่จะทำให้เกิดสั ม, มาทิฏฐินั้นอาศัยเหตุสองประการอย่างที่1ก็คือปรโตโขสะเสียงจากผู้อื่นนะต้องไปฟังธรรมะฟังอย่างตอนนี้ทุกท่านก็มาฟัง ฟังแล้วก็จดจำไว้ให้ดีเอาไปทำให้คล่องปากขึ้นใจเอาไปพิจารณาดูอย่างนี้เหตุที่สองท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการะการกระทำไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องทำในใจเอาไปใส่ใจใส่ใจ บ, บ่อยๆมันก็จะเกิดเป็นความรู้เหมือนเราสนใจเรื่องอะไรเราก็จะรู้เรื่องนั้นแหละเราสนใจเรื่อง บุญเรื่องบาปเรื่องผลของบุญของบาปสนใจเรื่องทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์สนใจบ่อยๆ่ยเดี๋ยวก็เข้าใจเรามีความรู้มีองค์ความรู้อยู่นะมีองค์ความรู้พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วทุกประการเราก็ใส่ใจใส่ใจบ่อยๆก็เข้าใจเข้าใจถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่การที่จะได้รับธรรมะเพราะว่าอริยมรรค ม, มีองค์8นั้นเป็น ธรรมะชั้นสูงเป็นรัตนะอันสูงค่าเหมาะสำหรับคนที่ควรจะได้รับเราก็ไปฝึกตัวเองให้เหมาะที่จะได้รับธรรมะนะอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ค่อยๆทาไปอย่างนี้ทานองนี้นะครับนี่เป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดนะถ้าทำอันนี้แล้วก็เรียกว่าใครๆก็ยอมก้มหัวให้เลยทีเดียวแม้แต่เทพก็ยอมนะแม้แต่พรหมก็ยอม ส่วนถ้าหาเงินเนี่ยเราหาเงินเราก็ได้เงินนะหาสามีก็ก็อาจจะได้หรือจะไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าสามีเกิดหรือยังนะถ้าเกิดแล้วก็คงหาได้แหละนะหาอะไรอีกหาหมาน้อยมาเลี้ยงก็ได้หมาน้อยหาแมวก็ได้แมวหางานทําก็ได้งานทําหาอะไรก็ได้อันั้นแหละพูดภาษาเราหาอริยมรรคก็ได้อริยมรรคเช่นกันนะอันนี้ทํานองนี้นะฉะนั้น ก็อย่าลืมสิ่งที่เราทำเราหาแล้วมันดีที่สุดเลยนะแล้วเราหาได้ด้วยนะเพราะมันเป็นสังขารแต่อาจจะยากหน่อยเพราะมันเป็นของดีที่สุดใช่ไหมของดีก็หายากนิดนึงนะก็เรื่องธรรมดาอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในก็ค่อยๆหาไปศึกษาไปทำไปใส่ใจไปเดี๋ยวก็ได้ใส่ใจสนใจอย่างนี้ทำตองนี้นะครับต่อไปความสาคัญข้อที่2ประโยชน์ข้อที่2ก็คือเป็นรัตนะ ลัตนาแปลว่าของมีค่านะถ้าเป็นสำหรับชาวโลกทั่วไปก็เพชรนินจินดาต่างๆเขาก็ถือว่าเป็นของมีค่าแต่นี้มันก็เล็กน้อยมากเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็นอริยมรคมีองค์แปนี้เป็นของมีค่ามากเป็นของมีคุณค่าจริงๆเหมาะสาหรับเป็นเครื่องประดับสาหรับคนนะพวกเรานี้ควรจะได้สัมมาทิฏฐิมาเป็นเครื่องประดับตนนะเดินไปไหนจะได้ ดูเป็นผู้เป็นคนสูงส่งกับเขาบ้างนะอันนี้ไม่ใช่ประดับเพชร น, นะประดับเพชรเดี๋ยวโจรมาข้าเอาอันนี้ก็รัตนะต่างๆก็คือของมีค่านั่นแหละของที่หายากของสูงค่าอริยมรรคนี้ก็เป็นของหายากมากจะต้องรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาค้นพบแล้วก็เอามาบอกเนี่ยอย่างนี้หายากมากจริงๆนะครับเป็นรัตนะอันสูงค่านะ อันนี้ก็ความสำคัญข้อที่2นะครับต่อไปความสำคัญข้อที่3าความสำคัญข้อที่3คืออะไรนะพูดไปแล้วอ ะ, อะไรน ะ, ะมีคนจำได้ด้วยนะต้อ <laughs> ตงสอบในะวันหลังนะ <laughs> ต้องสอบเมื่อกันแล้วจำไม่ได้เลยนะก็เป็นตัวที่คอยแบ่งแยกความถูกความผิด เพราะในโลกนี้เราก็ทราบกันดีอยู่ถูกผิดมันเป็นของคู่โลกนะสูงต่ําดําขาวมันเป็นของคู่โลกแล้วทีนี้ส่วนใหญ่ชาวโลกเรานี้มันติดสมมุติบัญญัติก็ถูกผิดมันก็สมมุติเอาะถูกของเขาผิดของเขาก็ว่าไปส่วนใหญ่บางคนก็เลยว่าเขาถูกอยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดอั น, นี้ก็เหลือเกินคนนี้นะมันจะเกินมนุษย์ไปแล้วมนุษย์หน้าไหนมันจะถูกอยู่คนเดียวคนอื่นจะผิดหมดอันนี้มันก็มิจฉาทิฏฐิยังแน่นเอียดเลยเต็มหัวใจเลย นะนี่เรื่องโลกโลกเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยถูกด้วยผิดทีนี้เราจะมีหลักอะไรไว้ตัดสินว่าอะไรมันถูกจริงๆถูกแน่นอนที่ถูกแน่นอนถูกจริงๆถูกชำระจิตให้สะอาดได้ทาให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ก็คือมรรคแปดนั่นเองถูกถูกคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยถูกส่วนอันอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยจะถูกจะผิดอย่างชาวโลกเขาว่าก็ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไป ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนก็นแล้วกันนะเราก็อยู่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไว้แม้แต่คนดีคนไม่ดีคนน่านับถือไม่น่านับถือก็มีอยู่คู่โลกเยอะแยะมากมายเราก็ดูเอาเรื่องมรรคแป้นี้มาเป็นตัวหลักคนน่านับถือก็นับถือคนที่มีสัมมาทิฏฐินะถ้านับถือคนดีบางทีเขาดันมีมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเราก็แย่เลยบางคนถึงขนาด ได้สมาธิเหาะเหินได้อะไรได้น่านับถือเหมือนกันแต่ว่าดันมีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้แย่เลยสําหรับเราถ้าไม่มีเครื่องช่วยตัดสินนี่เราเดียงเหมือนกันนะฉะนั้นหลักการง่ายๆสําหรับตัดสินถูกตัดสินผิดดีชั่วนะก็เอามักแปมาเป็นเครื่องตัดสินจะถือใครเป็นสัตว์บุรุษอสัตว์บุรุษก็เอาอันนี้เป็นเครื่องตัดสินให้อยู่ทางนี้ไว้เราจะได้ปลอดภัยอย่างนี้ทํำนองนี้นะครับ และความสำคัญข้อที่4อริยมรรคมีองค์8ก็ทำให้กิเลสสงบทำให้ได้เป็นสมณะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์ทำให้สงบจริงสงบที่แท้จริงก็คือกิเลสสงบนะแล้วก็ความสาคัญข้ออื่นก็มีเยอะแยะนะครับนะนี่พูดเมื่อเช้าไปสี่ข้อนะแล้วประเด็นที่3ก็คือพูดแจกแจง องของมรรคทั้ง8ดข้อเมื่อช้าพูดไปข้อเดียวพูดยังไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าจะพูดสมบูรณ์ทั้งหมดเลยคงไม่ได้เพราะเวลาเราน้อยนี่ขนาดใช้เวลาทั้งวันนะนะฮะแต่ว่าเราพูดใส่วิชาการมากก็ไม่ได้เพราะว่าหลายท่านนี้เป็นพวกสมาธิสั้นใส่วิชาการเข้าไปมากนี่มันมัน้มันไม่เข้ามันมันคายออกเลยมันเดี่ยงนะจากนั้น นะวิชาการก็เลยจะให้ไปอ่านเองส่วนที่พูดก็อาจจะพูดยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างมีวิชาการใส่เข้าไปบ้างแต่ว่าไม่เยอะนักเพราะว่าบางท่านนี่โอ้โหวิชาการหนักๆ น, นี่ไม่ไหวเหมือนกันนะาันะนั้นที่พูดก็ก็มีวิชาการบ้างเพราะว่าถ้าไม่มีเลยก็ดูเหมือนจะน้าเกินไปต้องมีเนื้อบ้างนะบางคนเนื้อมากมันแน่นคอมันไม่ลงไงมันก็เอาพอสมควรนะครับเมื่อเช้าก็พูดมาถึงประเด็นที่3าเนี่ย ก็คือประเด็นเรื่องแจกแจงองค์มักนั่นเองมีสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิจะสําคัญที่สุดในองค์มักทั้ง8จริงๆแล้วก็สําคัญทุกองค์นั้นแหละแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นหัวหน้าเป็นตัวนําเข้าสู่มักถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเข้ามักไม่ได้แม้แต่รักษาศีลมันก็ไม่เป็นมักเพราะศีลเนี่ยมันไม่ได้จัดเข้าในมักแต่มักนี้จัดเข้าในศีลนะก็เลยต้องมีหัวหน้าเพื่อจะได้เอาศีลนี่มาจัดเข้าได้จะได้ เลือกสรรศีล ส, ส่วนที่เป็นมักจะได้เอาสัมมาทิฏฐิไปชําระศีลให้ดีเพราะว่าถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิศีลที่เรารักษามันก็จะกลายเป็นศีลลัพพตะปร ะ, ะรามาสไปเป็นการถือศีลในแบบเป็นพิธีกรรมบ้างเช่น ว, ว่าสมาทานศีลได้เรียบร้อยเราก็นึกว่าเรามีศีลแล้วนะบางคนก็ว่าอพอศีลขาดก็ไปสมาทานสมาทานแล้วก็มีศีล ถึงตัวเองจะนั่งดูละครทีวีอยู่นั่งดูฟุตบอลโลกอยู่ก็ถือว่ามีศีลอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าศีลที่แท้จริงนี้มันเป็นความระมัดระวังสำรวมเป็นการงดเว้นแน่นอนตอนนั้นเขายังไม่เลื่อยลวงละเมิดแต่ว่าจริงๆใจเขาไม่มีศีลเขาไม่ได้ฝึกจิตให้มีความคุ้นเคยกับศีลเลยเพราะเขาไปคุ้นเคยกับฟุตบอลโลกอยู่นะอย่างนี้มันก็ต้องรู้จักนะถ้า เป็นพวกศีลปฏิปปราปรมาตหน่อยก็ว่าเอา้าแค่สมาทานมันก็ได้ศีลมาแล้วเขาว่าไปอย่างงั้นมันง่ายแบบนั้นเลยเลยศีลแค่สมาทานมันได้เลยถ้าเราสมาทานแล้วได้ป่านนี้เราสบายแล้วใช่ไหมแต่ว่าสมาทานมาแล้วก็เดี่ยงเหมือนเดิมแหละพวกเราเนะยนะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกมันต้องฝึกเอาหัดเอามีสัมมาทิฏฐิไปพิจารณาว่าขาดศีลมันมีโทษอย่างไรมันจะตกอบายเพราะขาดศีนี่แหละไปพิจารณาแล้วพิจารณาคุณค่าต่างๆสอบถาม ตัวเองให้มันชัดว่าแกจะเลือกทางไหนแน่อะไรแน่น่นมันต้องไปพิจารณานานกว่าจะได้ศีลมานมันก็มีกระบวนการเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าแค่สมาฐานสมาทามันก็ดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่มันจะได้บางพวกก็รักษาศีลไปเพื่อเป็นเทพหรือว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรือคิดว่าด้วยการรักษาศีล น, นั้นจะช่วยให้บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้น บางท่านก็เลยเอาละถ้าศีลเยอะข้อขึ้นเราก็จะได้บุญเยอะขึ้นหรือว่าจะสะอาดขึ้นหรือใกล้นิพพานมากขึ้นใกล้เป็นอรหันต์มากขึ้นเช่นถ้ารักษาศีลห้าได้ครบก็เป็นโสดาบันรักษาศีลแปดก็เป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ไปหลายท่านก็เลยหันซ้ายหันขวาอยู่แต่ไม่เป็นกับเขาสักทีนะนี่คือมันศีลล้ำปตะปรามาสคิดว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการมีศีล ศีลเยอะช่วยให้บริสุทธิ์ก็คิดไปความเป็นจริงแล้วถ้าเราหัดพิจารณาเนยะอย่าว่าแต่ศีลหศีล8เลยศีลพระของเรานี่มีกี่ข้อเนี่ย2องร่นะคนไปบวชมันก็ไม่เห็นบริสุทธิ์เลยนะนี่มันขนาดนั้นไม่ได้ว่าดูถูกอะไรกันนี่เราพูดความจริงกันเฉยๆว่าจะบริสุทธิ์ไม่ได้ด้วยศีลมันคือด้วยมรรคแปดโน้นถึงจะบริสุทธิ์เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็นึกว่า เออถ้าศีลเคร่งคลัดหลายข้อขึ้นอะไรขึ้นนี่มันจะว่านั่นว่านี่ไปเรื่อยเห็นไหมน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนหลายท่านก็เลยไปเคร่งครัดพอถึงเวลารักษาศีลแปดก็แหมน้ำเต่าหูก็ไม่ทานอะไรก็ไม่ทานแต่ก็เหมือนเดิมกิเลสเยอะเหมือนเดิมแหละนะทำท่าเหมือนจะบริสุทธิ์เป็นคนที่คิดเล็กิดน้อยไปเรื่อยนะเวลาที่รักษาศีลแปดเนี่ยทำท่าเหมือนจะบรรลุงั้น่ะ ทำท่าเหมือนจะไม่ติดข้องอะไรเอ๊ะที่นอนนี่มันหนาไปไม่ไม่ควรนอนนอนแต่พื้นนะตนอนแต่เสือนะอันนี้ไม่ควรกินนะโอ้ยพิจารณาเหมือนกับบรรลุเลยนะเหมือนคนไม่ติดไม่ข้องอะไรเลยแต่พอเลิกแล้วเป็นไงเลวเท่าเดิมเลยนี่มันชัดว่ากิเลสไม่ลดนั่นเองนี่แต่เราถือว่ามันจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลอันนี้เป็นศีลปะตะปรามาตเนี่ก็หมายถึงว่า ศีลนั้นมันไม่ได้เป็นมรแปดแต่มรแปดนี่มันต้องเป็นศีลแน่นอนแหละเนี่ยเราก็เลยต้องมีมรแปดก่อนอยู่ในใจของเรามรแปดมันอยู่ในใจถ้ามีมรแปดอยู่ในใจมีสัมมาทิฏฐิเราก็เอาไปให้ทานฉะนั้นทานมันก็เป็นมรได้ถ้าเรามีมรอยู่ในใจของเราเนีก็มีสัมมาทิฏฐิในเรื่องการให้ทานว่าคืออะไรทําไปทําไมอย่างไรการให้ทานเนี่ยก็จะถูกต้องพาไปนิพพานได้อีกเห็นไหมนะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยถ้ามีมรก็ แม่เข้าใจเหตุผลแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เอาอีกแล้วสวดให้อยู่รอดปลอดภัยนะสวดให้อายุยืนสวดป้องกันอันตรายปัดเป่าป้องกันนะหลายท่านก็เลยขับรถไปด้วยสวดไปด้วยอันนั้นแหละจะยิ่งไม่ปลอดภัยใหญ่ <c oughs> เพราะมัวแต่สวดเดี๋ยวก็รถชนพอดีไปห่วงสวดทำไมตอนนั้นทำไมไม่ตั้งสติขับรถเฉยเนะี่นี่มันวุ่นนะคนน่บางคนก็เอาเอาพระพุทธรูปมาวาง ถ้าองค์เล็กไปก็กลัวท่านจะช่วยไปได้ก็องค์ใหญ่ๆจนขวางทัศนวิสัยไปหมดเลยนั่นแหละมันจะชนง่ายไม่รู้เรื่องอีกนะบางท่านก็มาห่วงอีกนะที่นี่องค์ใหญ่แล้วก็ต้องเดี๋ยวไม่บูชาท่านก็จะลําบากใช่ไหมก็ต้องห่วงมาหาพวงมลาลัยอีกเอาและเอาพวงมลาลัยมาห้อยท่านก็บังทัศนวิสัยไปอีกแล้วก็พวงมลาลัยนั้นส่วนใหญ่ก็เขาใช้ยาฉีดศพเอาสารพิษอะไรก็ไม่รู้เข้ามานะ ก็เป็นอย่างนั้นอีกตัวเองก็มันนั่งดมสารพิษอยู่นั่นลนะลองคิดดูคนนะคนมันคิดได้เท่านี้คนมันคิดนี่อย่างนี้ทำลองนี้นี้ก็ไม่ได้ห้ามทาแต่ว่าให้เราใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่มักสิ่งเหล่านั้นนะแต่มรรคเนี่ยสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเป็นวิถีชีวิตนั่นเองมรรคก็คือสิ่งต่างๆในวิถีชีวิตของเรานั่นแหละแต่ว่าชารจิตของเรา นะให้ถูกต้องในเรื่องต่างๆอย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ตัวสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นตัวหัวนหน้าเขาเพื่อจะเอาไปช่วยชำระสิ่งต่างๆก่อนเมื่อชำระแล้วก็จะได้ทําให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ต่อไปอย่างนี้ทานองนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนั้นก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่หนึก็คือ ความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมกรรมบุญบาปนั้นเป็นเหตุผลของกรรมก็คือสุขทุกข์ต่างๆนั้นเป็นผลเป็นวิบากนีดีชั่วสูงต่ำมงคลอวบมงคลก็อยู่ที่กรรมนั่งเฉยๆนี้จะได้มงคลไม่ได้มงคลจะต้องมาทําเอาแล้วต้องทําให้มันถูกมงคลด้วยจึงจะได้มงคลนั่งเฉยๆก็ได้อวบมงคลไป แล้วถ้ายิ่งไปทำก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่นะอย่างนี้พวกเราก็ต้องรู้จักรู้จักมงคลมี38ข้ออยากได้มงคลก็ไปศึกษาให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปทำเอาส่วนไหนที่ไม่ใช่ไม่อยู่ใน38แนั้นเราก็ต้องบอกได้ว่านี่มันไม่ใช่ถ้าใครไปถือก็เป็นอวมมงคลสำหรับเรานั่นแหละที่ไปถือสิ่งที่ไม่ใช่มงคลว่าเป็นมงคลเช่นถือวันเดือนปีอันนี้ ก็เป็นอวบมงคลสําหรับเราฉะนั้นต้องรีบเอาออกการถือวันทําไมคุณไม่ถือก็อย่าไปถือเพราะมันไม่ใช่มงคลเราก็ไม่ถือนะอย่างนี้นะเขาถือก็เรื่องของเขาเราอย่าถืออย่างนี้พอเข้าใจไหมคนเขาถือในโลกก็มีเยอะแยะอยู่แล้วก็ถือวันเดือนปีกันถือฤกษ์งามยามดีกันอะไรกันเขาก็ถือเยอะแยะแต่เราอย่าถือเพราะอันนั้นมันเป็นอวบมงคลมันไม่ใช่มันไม่ใช่มงคลมันเป็นเรื่องของวันมัน ถ้าเราไปถือว่ามันเป็นมงคลเราก็ถือผิดผิดไม่ใช่อยู่ที่วันผิดที่ไปถือวันที่วันนี่มันไม่มีอะไรเราไปถือว่ามันมีอะไรนั่นแหละนะอย่างนี้ทํานองนี้ข้างขึ้นข้างแรมมันก็ไม่มีอะไรข้างขึ้นมันก็พระจันทร์สว่างข้างแรมมันก็พระจันทร์มืดก็เท่านั้นแหละง่ายๆเท่าเนี้ยถ้าเราไปถือว่าข้างขึ้นมันดีเพราะมีคามําว่าขึ้นมันมันก็จะขึ้นนะ เราไปถือให้มันขึ้นมันก็ขึ้นมันก็ถูกแล้วแต่เราถือนี่มันผิดอยู่มันขึ้นไม่ขึ้นมาเรื่องของมันนะนี่ไอ้ถือนี่มันผิดอยู่ข้างแรมนี่มันแรมมันมืดมันไม่ดีฉะนั้นทำอะไรอย่าไปทำข้างแรมอันนี้ก็ถ้าใครถือก็ผิดอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราก็อย่าไปถือฟังธรรมะเป็นของดีข้างขึ้นก็ฟังธรรมข้างแรมก็ฟังธรรมเหมือนกันง่ายๆเท่านี้แหละ เรา่าถือฟังธรรมการฟังธรรมตามการเป็นมงคลเราก็ฟังซะความอดทนเนี่ยข้างขึ้นก็อดทนไว้ข้างแรมก็ทนไว้คืนเดือนหงายก็อดทนไว้คืนเดือนมืดก็อดทนไว้เท่านั้นแหละยากไหมครับเนี่ยไม่ยากนะเนี่ยอย่างนี้เพราะความอดทนมันเป็นมงคลเป็นของดีเราอย่าไปถือถือโน่นถือนี่ถือเคล็ดถือเครื่องรางของขลังอะไรทั้งหลาย นะของขลังก็มีจริงแต่ถือของขลังนี่มันผิดมันผิดเพราะขลังมันไม่เที่ยงแต่เราถือว่ามันจะขลังพอถือมันเลิกขลังแหละเพราะเราเลวเกินไปไม่พอที่จะขลังนะมันจะขลังแล้วต้องมีเงื่อนไขหลายประการแต่เราพูดไปถือส่วนใหญ่มันมันไม่ได้เรื่องมันก็เลยเลิกไปเลยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมันก็มีจริงของมันแหละแต่เราอย่าไปถืออย่าไปถือ ถ้าถือนี่มันผิดนมันผิดมันไม่ใช่ที่เขานะีมันผิดที่เราเนี่ยผิดที่เราถือนี่แหละน่อย่างนี้ทานองนี้นะครับสิ่งที่ถูกที่ผิดอย่างแน่นอนที่พวกเราต้องรู้จักจะถือหรือไม่ถือมันก็เป็นอย่างนั้นก็คือกรรมนี่เองถ้าทาชั่วเนี่ยมันก็ชั่วเลยจะถือว่าชั่วหรือไม่ถือว่าชั่วมันก็ชั่วเลยนะความดีมันก็เป็นความดีดีชั่วอยู่ที่กรรมสูงต่า อยู่ที่กรรมนั่นเองเนี่ยกรรมมัสคตาญาณ น, นะมงคลอวบมงคลก็อยู่ที่กรรมฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยให้พูดสิ่งที่มันเป็นมงคลมงคลกับตัวเราเองอย่าพูดสิ่งที่เป็นอวบมงคลพูดด่าชาวบ้านนี่อวบมงคลอย่าไปพูดนะต้องพูดสิ่งดีงามใช่ไหมนะอย่างนี้อย่างนี้ทํานองนี้ให้เรารู้จักนะครับนี่คือสัมมาทิฏฐิระดับที่หนึ่ง ความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเป็นพื้นฐานนะครับต่อไปสัมมาทิฐิระดับที่สองก็คือความรู้ที่ตรงสอดคล้องกับหลักสัจธรรมตรงกับสัจตรงกับความเป็นจริงนะสัจจะก็มีอยู่4ข้อที่มันเป็นสัจจะก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นความเป็นจริงมันจึงเป็นสัจจะมันเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นสัจจะมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นสัจจะ มีอยู่สี่ข้อเป็นสัจจะของพระอริยเจ้าเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอริยะได้ประกาศบอกเอาไว้เป็นสัจจะที่จะทําให้คนเป็นพระอริยเจ้านะพวกเราก็ต้องฟังไว้แล้วก็ไปฝึกปฏิบัติให้มีสัมมาทิฏฐิรู้ให้ตรงกับหลักสัจจะนะมีอันที่หนึ่งก็คือทุกขอริยสัจนี่อุปทานขันธ์ทั้งห้านี้ มันเป็นทุกข์นะเป็นของที่ว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความสุขว่างเปล่าจากตัวตนนะขันทั้งหาเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ขันหรูปขันมันก็เป็นรูปขันที่ไม่เที่ยงเวทนาขันก็เป็นเวทนาขันที่ไม่เที่ยงสัญญาขันก็เป็นสัญญาขันที่ไม่เที่ยงสังขารขันก็เป็นสังขารขันที่ไม่เที่ยง วิญญาณขันธ์ก็เป็นวิญญาณขันธ์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นสัจจะเหมือนกันเป็นทุกขสัจนะทุกท่านก็อย่าลืมไปหัดพิจารณาดูเอาจากเบื้องต้นง่ายๆก่อนก็ได้ก็คือเอาจากเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนี่มันง่ายกว่าเขาคือมันต้องหมดไปศูนย์ไปสิ้นไปเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันมีวันหมดนั่นเอง อย่างวันวันหนึ่งเนี่ยมีวันขึ้นมาก็มีหมดวันเห็นไหมมันสิ้นไปหมดไปมีเวลาฟังธรรมก็มีหมดหมดเวลาเท่านี้เองก็ให้หัดนึกบ่อยๆหัดใส่ใจบ่อยๆมันมีแต่ของหมดไปอยู่แล้วนะมีความสุขขึ้นมาก็หัดใส่ใจว่าเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นนี่มันก็หมดไปเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว ก็ไม่ยากอะไรหัดไปเรื่อยๆจากน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะก็ได้ขอให้มันถูกก็แล้วกันถ้ามันถูกมันไม่ผิดหรอกขอให้มันถูกไปถูกวันละน้อยวันละน้อยเดี๋ยวมันก็เยอะขึ้นเองเอาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกขึ้นมาก็หัดใส่ใจว่ามันมีวันหมดไปเหมือนกันมันสิ้นไปหมดไปนะมันไม่ได้คงที่คงทนอยู่นานตลอดที่ไหนไม่ใช่เราของเราไม่ใช่ว่าเราจะบังคับมันได้ที่ไหนมันเป็นของหมดไปทั้งนั้น อย่างวันนี้ก็มีวันหมดวันน ะ, นะฟังธรรมนี่จะลาบากยากเย็นแสนเข็นอย่างไรนะอาจารย์พูดก็มีวันหมดลมนะพวกเราก็มีวันหมดเหมือนกันมีวันหมดเวลามีวันหมดทั้งนั้นแหละสรุปแล้วนะให้เราหัดพิจารณาบ่อยๆไม่ว่าจะยากลาบากมันก็หมดไปได้มันไม่อะไรมากหรอกนะทนทนไว้ทนศึกษาทนเรียนรู้ไว้ต้องหัดอดทน ความอดทนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นมงคลข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ขัดกิเลสเอาไว้ขัดตันหาเพราะตันหามันไม่ชอบอดทนมันชอบสะดวกชอบสบายส่วนการเรียนรู้นี่มันต้องอดทนผ่านความอดทนมาแล้วก็เรียนรู้ให้ถูกต้องมันเป็นของหมดไปสิ้นไปนะความสุขมันก็สิ้นไปได้ความทุกข์มันก็สิ้นไปได้ รวมทั้งความคิดความนึกต่างๆถ้าเราเป็นคนคิดมากก็ตั้งสติขึ้นมาใส่ใจดูว่าเออเดี๋ยวมันก็หมดไปสิ้นไปเดี่ยมันก็สิ้นไปได้เช่นกันนะคิดดีๆอะไรต่างๆความรู้สึกดีๆทั้งหลายก็หมดไปได้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นแหละจนกระทั่งทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ยทั้งชีวิตของเราเนี่ยมันก็หมดได้หมดทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้จนกระทั่งความแข็งแรงสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านมีตอนเนี้ย ที่มีอยู่ทุกหมดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดตั้งแต่ร่างกายเนี่ยตอนนี้นั่งได้สบายนะนั่งอยากบิดไปบิดมาก็ได้จากนั่งแล้วลุกยืนก็ได้เดินก็ได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเนี้ยจะหมดไปหมดเลยหมดไปอย่างไรบ้างตัวอย่างก็มีเหมือนกันนะตอนที่ไม่ป่วยมันก็สบายใช่ไหมมันก็ทําอะไรได้ทุกอย่างตอนที่ยังไม่แก่ไม่อะไรมันก็ทําได้เดี๋ยวสักหน่อยพอแก่ลงป่วยลงมา แค่จะลุกมันก็ลุกไม่ขึ้นแล้วความที่สามารถลุกขึ้นได้มันก็หายไปหมดแล้วหมดไปกําลังมันก็หมดไปแม้กระทั่งที่เรากลิ้งไปกลิ้งมาได้อะไรได้นี้ก็หมดเหมือนกันนะที่เรานอนกลิ้งไปกลิ้งมาได้อย่านึกว่าไม่หมดนั่นนะนั่นก็หมดเหมือนกันถึงวันหนึ่งจะกลิ้งได้ไหมกลิ้งไม่ได้เหมือนกันนะก็นอนนิ่งเลยอยู่กับที่เลยนะกลิ้งเองไม่ได้ถ้าอยากจะกลิ้งต้องรอคนอื่นมากลิ้งให้แล้วจะบอกเขาได้ไหม นะตอนนี้มันบอกได้มันพูดได้แต่ไอ้กำลังในการพูดมันหมดไหมหมดนะนะก็ใช้สายตาบอกมันก็แล้วกันต่อไปมันก็หมดเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนั้นนะนะสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีตอนนี้นะนะแม้แต่เนี่ยเราเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจระปัสสาวะเองได้นะเนี่ยวันหนึ่งความสามารถนี้ก็จะหมดเช่นเดียวกันต่อไปก็ต้องนอนรอให้เขาอุ้มไปห้องน้า อุมไม่รู้ทีนี้เขารู้สัญลักษณ์หรือเปล่าถ้ามันมันไม่รู้ขึ้นมาเราก็ต้องก็ต้องนอนจมกองอุจจระปัสสาวะไปนู่นแหละจนกระทั่งแม้กระทั่งชีวิตลมหายใจเราก็จะหมดสลายไปหมดเห็นไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านมีเนี่ยที่อะไรมีบ้างก็มีตอนนี้น่ยที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะหมดไปหมดเลยนะเนี่ยนะตอนนี้มันยังไม่หมดเพราะว่าความแก่มันยังไม่มาเอาไป ความเจ็บป่วยมันยังไม่มเอาไปพอความแก่มันมาเอาไปมันก็หมดนะอย่างนี้เงินทองเราก็เหมือนกันที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าญาติยังไม่มาเอาไปนะเดี๋ยวสักหน่อยญาติมาทำหน้าหน้าตาน้าสงสารมานะช่วยน้อยช่วยน้อยเป็นไงครับแมนะ้เราก็แผนกใจดีแห่งชาตินะเราก็เอาละเออไปคนใจดีก็ให้เขาไปนะญาติก็มาบอกโอ้ยนะ ตอนนี้ฉันลําบากแล้วเกินอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะใช้คืนนะแหมเวลามาพูดดีมากนะเป็นไงครับเราก็ใจดีนะเราก็ใจดีแล้วเราก็เป็นคนธรรมะธ ร, รมโมด้วยเขาก็รู้ใตเราก็บอกว่าเออเห็นว่าเธอเป็นคนธรรมะธ ร, รมโมใจดีนะก็ต้องช่วยเลยนะเพราะใจดีใช่ไหมธรรมะธ ร, รมโมเดี๋ยวจะเสียหน้านักธรรมะนะ <c oughs> เราก็ช่วยเหลือไปทีนี้พอมันได้ไปแล้วตอนจะคืนนี่สิทีนี้กลายเป็น เรื่องยุ่งยากลําบากเลยนั่นหมดไปแล้วเห็นไหมนะนั่นเป็นธรรมชาติแล้วนะธรรมดาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่เรามีทุกอย่างนะแม้แต่ลมหายใจเข้าออกแม้แต่แขนแต่ขาทุกอย่างเนี่ยหมดทั้งนั้นแหละสุขทุกต่างๆความคิดความนึกความรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรารู้เยอะแยะเนี่ยมันเป็นของรู้จักหมดนะเรียกว่ามันเป็นตัวทุกเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจาก ตัวตนนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราท่านให้พิจารณาอยู่บ่อยๆจะได้รู้จักทุกท่านก็อย่าลืมหัดพิจารณานะจะได้รู้จักทุกรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาตัณหานี้มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาความอยากความคาดหวังความต้องการอยากได้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอสักทีหนึ่งเป็นเพราะมันไม่รู้จักทุกข์นี่แหละ เราก็เลยต้องรู้จักทุกรู้จักทุกให้ดีๆก็จะรู้จักตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์อย่างนี้ต้องหัดหัดแยกแยะทุกเป็นอันหนึ่งเหตุเกิดทุกเป็นอีกอันหนึ่งความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาที่สิ้นตัณหาเพราะว่ารู้จักทุกข์แล้วรู้จักทุกข์ทุกข์มันก็เกิดดับตัณหามันก็ไม่เกิดมันก็ดับทุกข์ทุกขะนิโรธดับทุกข์นะ หนทางที่จะทําให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรตมีองค์8นะหมายความว่าให้พวกเรามีหน้าที่เดินอยู่ในมรตให้มีสัมมาทิฏฐิไว้อย่าไปทําอะไรใครแม้กระทั่งอย่าไปละกิเลสนะแต่จริงๆก็ต้องละกิเลสนั่นแหละแต่อย่าเพิ่งทําอะไรมันให้รู้จักแม้ตันหาที่ว่ามันเป็นอยากไม่รู้จักอิ่มจักพอเนี่ยก็อย่าไปละมันให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันให้เจริญมรตไว้ เอาข้อแรกก่อนให้รู้จักทุกก่อนถ้ารู้จักว่ามันเป็นทุกข์เดี๋ยวตัณหามันจะลดลงเองนะอย่างนี้เหมือนกับเราเนี่ยรักตัวเองมากอะไรมากก็ให้ไปดูตัวเองให้มันเข้าใจว่ามันทุกข์ยังไงบ้างมันจะหมดไปยังไงบ้างเช่นหน้าตาของเราดูดีสวยงามกำลังแข็งแรงอยู่ให้ไปดูซะดูวันหนึ่งมันจะเป็นยังไงมันจะเหี่ยวจะย่นตีนกาจะเยอะขึ้นและอะไรอีก อ่ามันจะตัวงอมีไม้เท้ามามีอะไรอีกนะมันก็จะหมดไปเรือ่อยๆแหละนะนั่นแหละพอมันรู้อย่างนี้มันรู้จักทุกเนี่ยมันก็จะลดตัณหาลงไปลดความอยากลงไปนี่อย่างนี้ให้เราค่อยๆหัดปฏิบัติไปนะบางท่านพอได้ยินว่าแม้ตัณหามันเป็นเหตุเกิดทุกข์กิเลสมันไม่ดีก็พยายามจะละกิเลส อันนี้มันก็เพี้ยนไปอีกพวกเราให้พยายามเดินอยู่ในมรรคไว้นั่นเองนะที่เดินอยู่ในมรรคนี่หลักๆก็คือเมื่อเจริญมรรคก็เจริญขึ้นมาเพื่อจะไปกําหนดรู้ทุกข์เพื่อจะรู้จักทุกข์ให้มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นทําไมต้องรู้จักทุกข์ให้มันชัดเจนขึ้นมันจะได้ละเหตุเกิดทุกข์จะได้ละตัณหานะเพราะตัณหานี่มันไม่ชอบทุกข์เราต้องรู้จักว่ามันเป็นทุกข์พอรู้จักว่าทั้งหมดมันเป็นทุกข์ตัณหามันก็หมดไป อย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าโลกเรานี้มันเป็นทุกข์ตันหามันก็จะบอกไปเทวดาดีกว่ามันว่ามันว่าเราก็ไปเทวดาพอไปเทวดาก็ไปรู้จักเทวดาว่ามันก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเทวดามันก็มีอายุจํากัดเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันนะอย่างนี้ตันหามันก็ไปพรหมก็ตามไปพรหมอีกก็สัมมาทิฏฐิก็ต้องตามไปมรรคก็ต้องตามไปไปดูที่พรหมพรหมนั้นก็มีอายุจํากัดเช่นกัน เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันตัณหามันก็ไปไม่เป็นแล้วนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นทางเดินของพวกเราก็คือต้องเดินอยู่ในมรรคไว้เสมอโดยมีหลักการก็คือเจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อรู้จักทุกข์ให้มันชัดเจนว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมดเลยเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนหมดเลยนะอย่างนี้ทานองนี้นะถ้าเรามีทุกข์เราก็แหม อยากได้ความสุขก็ต้องไปกําหนดกําหนดรู้จักทุกขว่ามันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนตัณหามันอยากได้สุขก็ต้องไปกําหนดสุขอีกสุขมันก็เป็นของหมดไปเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันลําบากเหมือนกันมันก็อยากได้สุขก็เดิมอีกก็ต้องไปกไปําหนดมันไปเรื่อยๆนี่อย่างนี้ทํานองนี้นะนี่ก็การกําหนดมันไปเรื่อยๆหรือว่ารู้จักข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นให้มันชัดเจนนี่คือสัมมาทิฏฐินี่แหละนะมันจะ เป็นหัวหน้าพาเข้าไปในมรรคไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะถึงนิพพานได้ที่ถึงนิพพานก็เพราะมันหมดตัณหานั่นเองถ้ารู้ทุกยังไม่หมดตัณหามันจะยังไม่หมดมันก็จะไปตรงนั้นไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทุกท่านจึงไม่ต้องเครียดเรื่องกิเลสเพราะกิเลสมันเยอะอยู่แล้วให้เดินในมรรคไว้ให้มีสัมมาทิฏฐิไว้เพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อละ นะให้รู้จักทุกไวเดี๋ยวตัณหามันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำตองนี้นะเนี่ยตามหลักของอริยมรรคท่านก็เลยเป็นฝ่ายทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นทางดำเนินที่เหมาะสมที่ถูกต้องดำเนินไปเพื่ออะไรเพื่อกําหนดรอบรู้ทุก์ให้มันรู้ทุก์ให้มันรอบให้มันชัดเจนเพื่อละสมุไยเพื่อละตัณหา เพื่อกระทําให้แจ้งนิโรธกระทําให้แจ้งนิพพานมรรคนี้เป็นสิ่งที่ควรทําให้มีขึ้นทําให้เกิดขึ้ น, นตัวที่ควรทําให้เกิดทําให้มีก็คือมรรคแปดนั่นเองเวลาเราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตัวนี้ปฏิบัติตัวมรรคแแต่เราปฏิบัติอย่างถูกต้องคือทําให้อันนี้มีขึ้นเพื่อเอาไปกําหนดรวบรู้ถูุฉะนั้นเวลาเราจเจริญมรรคแขึ้นไปเราต้องสังเกตว่าอันนี้เราทําขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ว่า เราจะไปรู้ทุกข์ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นขยายให้มากขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อรู้ทุกข์นี้ก็ให้กาหนดรอบรู้ทุกข์แล้วก็จะได้ละสมุทยัยทำให้แจ้งนิโรธได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คือตัวองค์มรคองที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิมี2ระดับนะระดับที่1ก็เป็นขั้นพื้นฐานความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม ระดับที่2ก็เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับอริยสัจสี 4. อันนี้เป็นมรรคโดยตรงทีเดียวนะทีนี้เมื่อรู้จักมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็ต้องเจริญมรรคข้ออื่นเพิ่มเข้ามานะมรรคข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็เป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันที่พวกเราจะต้องหัดคิดให้ถูกต้อง ต้องหัดฝึกค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆความเป็นจริงแล้วถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นนะฉะนั้นเราต้องสังเกตว่าความคิดของเราถูกต้องไหมถ้าความคิดไม่ถูกต้องแสดงว่าความเห็นยังไม่ถูกต้องก็เหมือนกิเลสนั่นแหละนะถ้ามีตัณหาเยอะอยู่แสดงว่ามันไม่รู้จักทุกต้องไปรู้จักทุกให้มันเยอะนะถ้าเราติดเรื่องใดอยู่มากแสดงว่าเราไม่รู้จักเรื่องนั้นดี ถ้ารู้จักเรื่องนั้นดีและรู้จักว่ามันเป็นทุกข์รู้จักแบบมีสัมมาทิฏฐิความติดข้องเรื่องนั้นจะลดลงหลักการมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราติดอาหารติดอาหารติดความอร่อยในอาหารแสดงว่ามันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในนี้เราต้องไปรู้เรื่องอาหารให้มันชัดเจนถูกต้องให้มันเห็นทุกข์ให้มันเห็นทุกข์ในอาหารนั่นแหละให้มันเห็นทุกข์ถ้าเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะละความติดในอาหารได้นี่พอเข้าใจไหม ค่อยๆสังเกตแบบนี้นะบางท่านไปเครียดเกินไปในแง่ที่ว่าโอ้ไปพยายามฝืนพยายามโน่นพยายามนี่เดียวนบันั้นมันจะไม่ได้ผลจริงมันจะกลายเป็นคนเรียกว่าเก็บกดการปฏิบัติธรรมในแบบมากนี้ไม่ใช่เก็บกดแต่ปฏิบัติด้วยความรู้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็เลยไม่ได้อยากได้มันนะรู้ว่าทานไปมันก็แก่เหมือนเดิมอ่ะก็จะอยากไปทำไมก็ ก็ทานอาหารอร่อยมันก็อิ่มเหมือนกันไม่อร่อยมันก็อิ่มเหมือนกันทานอร่อยมันก็แก่เหมือนกันทานไม่อร่อยมันก็แก่เหมือนกันทานอาหารราคาแพงมันก็แก่เหมือนกันทานอาหารราคาไม่แพงก็แก่เหมือนกันทานอาหารฟรีก็แก่เหมือนกันพอพิจารณาได้อย่างนี้ก็ต้องกินฟรีอยู่แล้วมันสบายเลยทีเเนี้ยทานอาหารร้านใกล้ๆมันก็แก่เหมือนกันทานอาหารร้านไกล มันก็แก่เหมือนกันถ้ารู้อย่างนี้มันก็ต้องทานร้านใกล้ๆใช่ไหมมันก็สบายดีนี้เน่มันเป็นอย่างนี้แต่พวกเราเนี่ยมันไม่คิดอย่างนี้มันคิดว่าร้านไกลๆมันดีกว่ามันเลิศกว่ามันกว่ากว่ากว่ามันก็เลยไปไงแต่ถ้าเห็นว่ามันเท่ากันทานอาหารร้านแพงๆมันจุดจบก็คืออุจจระเหมือนกันทานอาหารร้านถูกๆจุดจบมันก็คืออุจจระเหมือนกันแบบนี้ มันก็สบายเราก็รู้วิธีแล้วว่าอ๋อนะก็ก็ถ้ามีคนเลี้ยงก็กินแพงๆถ้าไม่มีคนเลี้ยงก็กินถูกๆไสบายแล้วเรารู้วิธีหมดแล้วสบายแล้วทอนนี้เห็นหมนี่คนมีความรู้ตัณหาในเรื่องนั้นๆก็จะลดลงทุกท่านก็เลยต้องปฏิบัติอยู่ในมารกไว้นั่นเองอย่าไปฝืนอะไรแบบไม่รู้เรื่องนะแน่นอนเราต้องฝืนบ้างแต่ว่าฝืนแบบรู้เรื่องฝืนแบบ คนมีปัญญาสัมมาทิฐิรู้เหตุรู้ผลเพราะว่าถ้าไปฝืนแบบไม่รู้เรื่องจะกลายเป็นคนเก็บกฎนะปฏิบัติทําหลายท่านนี้โอ้โหเก็บกดเก็บฝืนเป็นคนดีแต่ฝืนมากเก็บกดสักหน่อยระเบิดลงนะทีนี้สั่นเลยอันนี้จรงไม่ได้เรื่องใหญ่นะถ้ารู้สึกว่าเก็บกดฎนะมันไม่ใช่นะถ้าเป็นปฏิบัติอย่างแท้จริงมันจะขำขำหน่อยออกขำขำเห็นเผมไม่จะเป็นคนขำขำหน่อยนนะขำขำหน่อยนี่ย นะเป็นพวกคขำขำนิดหนึง่งขำขสนุกสนุกนะมันรู้ไต่ตัวเองไงจริงๆไม่ใช่รู้ไต่ชาวบ้านนะที่คขำในคขำตัวเองคขำกิเลสตัวเองไม่ได้มีอะไรมันหลอกเราจนขี้เกียจจะหลอกก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแต่ว่าก็เอาทำหลอกกันอย่างนี้ก็หลอกได้ตอนนี้ว่าไปนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยให้เราอยู่ในมาร์กไว้อย่ากเก็บกฎแต่อาจจะกดบ้างก็ได้แต่นิดหน่อยให้เน้นไปที่ความรู้เน้นไปที่สัมมาทิฏฐิ อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเน้นไปเรื่องนั้นนะเน้นไปด้านความรู้นะครับนี่ก็องค์ที่1ก็เป็นสัมมาทิฏฐิองค์ที่สองเป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อเห็นถูกก็จะคิดถูกเราลองสังเกตดูความคิดก็ได้ถ้าความคิดของเรายังผิดอยู่ก็แสดงว่าความเห็นมันยังผิดให้เราไปแก้ความเห็นก็เหมือนเรื่องอริยสัจนั่นแหละถ้าตัหาในเรื่องใดๆ ย, ย, ยังเยอะอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นทุกข์ในเรื่องนั้นๆต้อง กลับไปเห็นทุกข์ก่อนพอเห็นทุกข์ตัณหามันจะลดลงเนี่ยมันเรียงลําดับอันนี้เมื่อตัณหามันลดลงใจมันก็จะโปร่งขึ้นสบายขึ้นมันจะเรียงกันมาเรียงกันมานะตัวหลักก็คือต้องเจริญมรรคนั่นเองอย่างนี้ทํานองนี้นะครับนะท่านก็เลยเอามรรคสข้อไว้ข้างบนเพราะว่าเพื่อจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของมรรคอย่างชัดเจนว่าที่ทําขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคือทําขึ้นมาเพื่อกําหนดรู้ทุกข์เพื่อรู้จัก ขันห้าหรือโลกนี้มันเป็นทุกข์ถ้ารู้จักโลกว่าเป็นทุกข์แล้วก็จะไม่รักมันคือมันสิ้นตัณหาพอมันสิ้นตัณหามันก็ปล่อยวางมันก็ถึงความสงบเท่านั้นเองอย่างนี้ทํานองนี้นะครับต่อไปเมื่อเราปฏิบัติตรงถูกต้องเมื่อมีตัณหาอยากขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาเราก็จะรู้จักว่าอ๋อเป็นเพราะไม่รู้เรื่องนั้นอย่างแจม่มแจ้งเราก็เลยต้องเจริญมรรคม ก, ก็เลยเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องเจริญ เพื่อจะไปรู้จากทุกไม่อย่างนั้นถ้าไม่รู้จากทุกมันก็จะรักมันก็จะติดข้องติดข้องมันก็จะมีปัญหาไม่ปล่อยไม่วางไม่ปล่อยไม่วางก็เป็นปัญหาเราฉะนั้นมักก็เลยเป็นความจาเป็นจาเป็นสําหรับคนที่ต้องการพ้นทุกต้องการปล่อยต้องการวางจะต้องไปรู้เรื่องนั้นให้ได้ถ้าไม่รู้มันไม่ปล่อยนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับทานองนี้ ต่อไปพอรู้จักสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องรู้จักสัมมาสังกัปปะซึ่งมีอยู่3ข้อนะครับ3ข้อก็มีเนกขมมะสังกัปปะความคิดจะออกออกจากโลกออกจากวัตถุสิ่งของต่างๆที่เรามีออกจากกรรมคุณทั้งหลายออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากสมบัติทรัพย์สิสนเงินทองญาติพี่น้องความสะดวกสบายทั้งหมดนะอันนี้เรียกว่าความคิดที่ถูกต้อง ความเป็นจริงมันก็มาจากความเห็นถูกต้องนั่นแหละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นไปหมดทุกอย่างมันต้องสิ้นเมื่อถึงเวลาของมันมันเป็นธรรมชาติฉะนั้นความคิดที่ถูกต้องก็ต้องคิดจะออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่คิดจะออกมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเพราะของมันต้องสิ้นใช่ไหมถ้าสิ้นแล้วเราไม่คิดจะออกเรายังไปอยู่กับของสิ้นไปอยู่มันก็กลายเป็นคนติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับของไม่มีเหมือนคนเนี่ยบางคนก็ เรื่องอดีตมันดับไปตั้งนานแล้วก็ยังหยิบมาคิดอยู่นะเขาก็ไปยึดยึดอดีตก็ยึดอากาศว่ามันมียึดของไม่มีว่ามันมีของอดีตคือของมันสิ้นไปแล้วเขายึดว่ามันมีอย่างนี้มันก็ผิดไปหลายคนก็เลยผิดเป็นทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเขาด่าเราตั้งนานแล้วเสียงมันก็ดับไปตั้งนานเพราะมันเป็นของต้องสิ้นใช่ไหมคนนั้นก็อาจจะสิ้นอายุไปแล้วหรืออื่นๆก็ว่าไปเขาด่าก็สิ้นไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาพูดจบมันก็สิ้นไปเลยนะ เราโกรธแล้วก็สิ้นไปตั้งนานแล้วดับไปตั้งนานแต่บางคนก็ไปคิดถึงอยู่ไปคิดถึงอดีตว่าเขาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปจับว่าเขานั้นเป็นศัตรูเราเคยทําไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นความไปยึดยึดสิ่งที่ไม่มีเหมือนเรายึดอากาศนั่นแหละยึดอากาศว่ามีก็เลยเป็นความผิดเป็นผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้จึงต้องหัดต้องหัดฝึก หัดฝึกที่จะออกจากเรื่องต่างๆทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องที่มีเพราะทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสิ้นไปหมดไปก็เลยต้องคิดจะออกคิดจะออกออกจากมันออกจากมันส่วนจะออกได้เมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ใจของเราให้ยกออกจากเรื่องนั้นๆทุกเรื่องยกออกมายกออกจากบ้านยกออกจากเงินยกออกจากทรัพย์สินยกออกจากนู่นนี่ยกออกมาให้หมด าการยกออกเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะถ้าออกแบบด้านกายภาพก็เช่นออกไปบวชยกตัวเองออกไปจากบ้านเมืองเขาออกจากการทําหน้าที่การงานไปบวชอันนี้แบบด้านกายภาพส่วนด้านมารนิมเป็นด้านจิตให้เราทําแบบเดียวกันแต่ทําด้านจิตไม่ต้องไปบวชจริงหรือจะบวชจริงก็ได้ตามสบายแต่ด้านใจเนี่ยให้ยกออกมานี่พอเข้าใจไหมครับ ซึ่งการจะยกได้นี่ต้องมีสัมมาทิฏฐินั่นแหละมีเห็นถูกก็จะคิดถูกนะเนี่ยลองสังเกตดูว่าเราเห็นถูกไหมวิธีดูง่ายๆก็คือเราคิดจะออกไหมถ้ามันยังไม่คิดจะออกนี้แสดงว่ามันยังเห็นผิดอยู่ถ้าเห็นถูกนี่มันต้องคิดจะออกแน่นอนมันเป็นธรรมชาติของสภาวะนั้นๆเพราะสิ่งต่างๆนี่มันเอาไม่ได้มันของสิ้นไปหมดไปจิตมันก็ต้องคิดจะออกมันจึงถูกต้องนะะ ออกจากความติดความค้องออกจากนู่นนี่นั่นต่างๆอันนี้คือความคิดที่ถูกข้อที่หนึ่งเรียกว่าเนคขมมะสังกัปปะความคิดจะออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากความสะดวกสบายต่างๆที่มีทั้งหมดจนกระทั่งแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องคิดจะออกไปคิดจะทิ้งเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันเป็นของที่ต้องสิ้นไป นะอย่าคิดว่าจะพึ่งมันได้ตลอดขาเนี่ยอย่าคิดว่าเราจะพึ่งมันได้ตลอดต้องนึกถึงวันหนึ่งว่าขามันเดินไม่ได้ใจเราจะอยู่ยังไงเนี่ยใจเราต้องมีมักไงต้องคิดจะออกต่อไปถ้ากำลังขามันหมดเราก็ไม่ทุกข์ลวแต่ถ้าไม่คิดจะออกนี่กำลังขามันหมดนี่มันทุกข์นะมันทุกข์มันจะนึกถึงวันที่มีกาลังขาอยู่พอมันหมดมันก็ใจหายวับเลยเห็นไเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น นี่ทำง น, นี้นะครับทุกท่านก็เลยต้องหัดไว้เงินก็เป็นของรู้จักหมดท่านก็ไปนั่งพิจารณายกจิตออกมาจากเงินอย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับเงินถ้าเงินมีมีความสุขเงินหายไปใจหายแวบอยู่อันนี้มันผิดอยู่ต้องยกมันออกมาเตือนมันเตือนมันยกออกมาโดยการเห็นถูกต้องว่าเงินนั้นเป็นของรู้จักหมดนี่พอเข้าใจไหมครับญาติพี่น้องก็เหมือนกันนะ ญาติพี่น้องจนกระทั่งหมาน้อยอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะเรามีหมาน้อยอยู่เคียงข้างก็เลยไม่กลัวผีเพราะอย่างน้อยก็มีหมาเห่าผีให้อ่บางคนก็แค่นี้ก็สบายใจแล้วนะนี่ก็เหลือคนแล้วนเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปก็ต้องไปพิจารณาว่าหมาน้อยนี้มันก็ต้องหมดเหมือนกันนะแล้วเราจะอยู่ยังไงนะวิธีการเขาก็เลยให้ไปทดลองดูทดลองดูเช่นอยู่เงียบๆอยู่ป่าช้าคนเดียวดูอะไรดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง ถ้ามันมีที่พึ่งเนี่ยมันอยู่กับมรคมันจะมีที่พึ่งแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยมันจะยังไม่มีที่พึ่งเราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบฝึกเพราะบางคนมวลแต่ประมาทอยู่ตอนมีทรัพย์สินเงินทองมีเพื่อนอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยก็ไม่กลัวนะอย่างสมมุติเรานั่งเยอะๆเนี่ยนั่งหลายคนนี่ไม่กลัวไม่มีใครกลัวผีนะตอนเนี้ยสมมติให้ท่านมานั่งคนเดียวเนี่ยเอาขนาดเป็นกลางวันบางคนก็ปลอดแหงนะเฮ้ยเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือมันพึ่งชาว บ, บ้านเขา มันไม่ น, นึกว่าคนอื่นเขาจะต้องหมดไปอย่างนี้เข้าใจไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ทุกท่านก็เลยต้องหัดพิจารณาว่าทุกสิ่งมันต้องหมดไปสิ้นไปนะเสร็จแล้วก็คิดจะออกคิดจะออกนี่จึงถูกต้องถ้าไม่คิดจะออกนั้นผิดนะครับผิดมันจะทุกข์นะเป็นเนคขมมะสังกัปปะนี่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นกามะสังกัปปะคิดจะเอาคิดจะอยู่ตลอดกาลพวกนี้ ผิดมันจะนำทุกมาให้จะนำกิเลสมาให้อันที่สองก็อภยาปาทังกับปะคิดในทางไม่พยายามตรงข้ามกับความพยายามก็คือมีเมตตาเห็นอกเห็นใจเอาความหวังดีปรารถนาดีความเจริญรุ่งเรืองอายุที่ยืนยาวไปใส่ให้คนอื่นเขานะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าทุกคนมันก็เป็นทุกอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องคิดให้กลายเป็นทุกอีก คนเขาก็รู้จากตายอยู่แล้วเกิดมาเขาก็ตายของเขาเราไปคิดให้เขาตายอีกอย่างนี้มันผิดไม่ใช่ผิดต่อเขาผิดต่อความเป็นจริงผิดต่อเราเองนี่แหละความเป็นจริงทุกคนมันต้องตายหมดทุกสัตว์มันเกิดมาแล้วมันก็ตายทุกกลัวไปเราจึงไม่จำเป็นต้องไปคิดให้มันตายเพราะว่ามันตายอยู่แล้วเราคิดให้มันอยู่ก็พอคิดให้มันอยู่นานๆแต่มันก็ตายอยู่ดีแหละแต่ว่าความเป็นจริงมันได้เท่านั้นที่ถูกเนี่ย ต้องคิดเมตตาคิดหวังดีปรารถนาดีให้เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ต้องคิดให้ใครพินาศล่มจมเพราะว่าทุกคนมันพินาศหมดอยู่แล้วมันต้องหมดไปสิ้นไปใช่ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่ต้องคิดให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะทุกคนมันทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องคิดให้ใครลำบากเพราะทุกคนลาบากอยู่แล้วรวมทั้งเราด้วยคิดให้แต่เขาสบายก็พออย่างนี้เข้าใจไหมนี่อย่างนี้ ฉะนั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะมันก็จะเกิดต่อเนื่องมาโดยธรรมชาติเราเอาไว้สําหรับเช็คตัวเองดูถ้าความคิดเนี่ยมันยังคิดให้ใครตายเป็นอยู่นี้แสดงว่ามิจฉาทิฏฐิมันยังเยอะอยู่เราต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนทิฏฐิของเราใช่ไนะเพราะมันคิดให้คนอื่นตายได้นี่นี่แสดงว่ามันเห็นผิดมันคิดว่าคนอื่นจะไม่ตายมันเลยช่วยคิดให้ตายไงเนี่ยอย่างเนี้ยไปคิดให้เขาตายไปคิดทําไมก็ยังไม่ทราบ ก็ยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วไปคิดบางท่านว่าเผื่อมันจะตายไวขึ้นเอาตัวเองนั่นไหลจะตายไวขึ้นยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ตำหตรงนี้นี่ให้เราได้รู้จักอย่างนี้นี้เรียกว่าอัพยาปาทะสังกปะคิดในทางไม่พยาบาทไม่เป็นศัตรูกันไม่ให้ใครพินาศจิบหายล่มจมไม่ประกอบไปด้วยโทสะมีแต่เมตตามีแต่ ความเป็นเพื่อนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นมีแต่ความหวังดีเอาสิ่งดีๆไปใส่ให้เขานะความคิดอย่างที่สามก็เรียกว่าอาวิหิงสาสังกัปปะความคิดความดำริในทางไม่เบียดเบียนอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปถือโอกาสเอาประโยชน์จากผู้อื่นนะอย่างนี้ทำนองนี้ ประโยชน์จากคนนั้นคนนี้นะอย่างทุกนี้อย่างยุคนี้ธุรกิจต่างๆนี่โอ้ยคนรวยก็รวยไปนะรวยจนไม่รู้สึกผิดเลยอยากได้เท่าไหร่ก็เอามาถ้ามีความสามารถอันนี้ก็ผิดเพราะเบียดเบียนคนอื่นถ้าคนหนึ่งเอามาไว้เยอะอีกคนหนึ่งอีกหลายคนมันก็มันก็ไม่ได้นะเบียดเบียนกันนะอย่างนั้นไม่ดีให้คิดช่วยเหลือกันคิดกรุณาเราเก่งเรื่องอะไรเราก็คิด ใช้ความสามารถของเราช่วยคนอื่นช่วยในครอบครัวของเราก่อนช่วยคนอื่นดูว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างคิดช่วยเหลือคิดกรุณาคิดให้เขาพ้นจากความทุกข์พ้นจากความยากพ้นจากความลําบากต่างๆอย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบกันเพราะคนมันก็ลําบากอยู่แล้วมันก็เบียดเบียนกันอยู่แล้วเรายังไปเพิ่มความเบียดเบียนกันอีกมันก็ลําบากนี่บางนี้ทํานองนี้นะเพราะอยู่ในโลกนี่มันก็ทะเลาะกันจะแย่อยู่แล้ว นะอันนี้แม้แต่ธาตุสีในร่างกายของเรานี้มันก็ทะเลาะกันจัดแย่มันก็เบียดเบียนกันคนมันก็อยู่ด้วยกันมันก็เบียดเบียนกันเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี่ยธาตุตา่างๆมันก็เบียดเบียนกันทุกชีวิตมันก็เบียดเบียนกันสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์น้อยอยู่แล้วเราไปทํางานเราก็เบียดเบียนตําแหน่งคนอื่นอยู่แล้วโดยธรรมา ke, ชาติถ้าเราไม่ไปทํางานคนอื่นเขาก็มีโอกาสมาทําเราก็เบียดเบียนเขาอยู่แล้วต้องแข่งกับเขาอยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องไปคิดเบียดเบียนใครเพราะโดยวิถีเนี่ยมันก็เบียดเบียนกันอยู่แล้วนะถ้าไม่อยากเบียดเบียนใครก็ไปบวชนู่นนะขนาดไปบวชยังเบียดเบียนอะไรก็ไม่รู้แถวนั้นนะนะฉะนั้นถ้ายังคิดเบียดเบียนเพิ่มไปด้วยมันก็ผิดกันไปใหญ่ใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงที่เรามาเกิดในโลกนี้ว่าไปแล้วมันก็กินธรรมชาติโลกเข้าไปเยอะนะนะสัตว์ก็ตายไปหลายตัวแล้วนะพ่อเราเนี่นะแต่ต้องทำไงได้ล่ะเกี่กินกินกันไปนะอย่างนี้ทํานองนี้ แต่ขนาดนั้นก็ยังมาคิดเบียดเบียนกันอีกมันก็หนักเกินไปแล้วน่นนะนะเพราะแค่เราเกิดมาเนี่ยมันก็โอ้ยลําบากลําบนนะแค่เราเข้าไปเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยสัตว์ก็ไม่มีที่อยู่หลายตัวแล้วนะจริงจกเคยอยู่ตรงนี้เห็นหน้าเราเพราะกูวิ่งหนีไปแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหมลองคิดดูทีม่มันเบียดเบียนกันโดยธรรมชาติแค่โผล่หน้าไปเท่านั้นแหละนะอย่างนี้นกกําลังจีบกันสนุกอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยนะกำลังมีความสุขกัน เราเดินโผล่เข้าไปเป็นไงครับมันก็บินหนีไปเลยก็เบียดเบียนมันอยู่แล้วนี่แค่ยังไม่คิดเบียดเบียนนะก็ยังเบียดเบียนกันอยู่โดยวิถีชีวิตในความคิดเราจึงไม่ควรเบียดเบียนกันจึงต้องมีความเห็นให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องคิดแต่ช่วยเหลือกันคิดแต่ให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่ก็เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะนี้ไม่ต้องทาจริง ให้คิดเฉยๆคิดเนคคำมะคิดจะออกแต่ไม่ต้องออกจริงคิดจะออกจากโลกแต่เราออกจากโลกจริงไม่ได้ถ้าจะออกจากโลกจริงต้องใช้มรรคแปดในการที่จะออกและออกโดยการเข้าถึงนิพพานไม่ใช่ออกด้วยความคิดจะออกแต่ความคิดจะออกนี่มันเป็นแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นเองจึงไม่ต้องออกจริงให้คิดเฉยๆคิดจะออกจากงานแต่ไม่ต้องออกจริง ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าเออเราต้องอยู่ต่อไปเพื่อทาหน้าที่เพื่อเจริญมรรคเพื่อหาเงินหาทองอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะไม่ต้องออกจริงเพราะออกจริงเดี๋ยวลาบากกว่าเดิมอย่างนี้ทานองนี้นะอย่าเพิ่งทิ้งจริงถึงเวลาทิ้งได้ก็ค่อยทิ้งถ้ายังทิ้งไม่ได้พิจารณาดูแล้วเหตุผลต่างยังไม่เพียงพอยังทิ้งไม่ได้ก็อยู่ไปก่อนแต่ในความคิดเนี่ยให้คิดจะออกคิดจะทิ้งนะในความคิดเรานะ ความคิดจะออกนี่เป็นสัมมาสังกัปปะคิดจะอยู่ตลอดไปนี่เป็นมิจฉาเป็นความคิดที่ผิดมันจะนําความทุกข์มาให้ถ้าคิดจะออกนี่มันก็จะสนับสนุนให้วาจาของเราถูกต้องเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราก็ไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะเอาอะไรแล้วถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าเราไปที่ทํางานเรามีตําแหน่งอย่างนี้อย่างนี้เราคิดจะออกจากตาแหน่งนี้อยู่แล้วถ้ามีคนเขามา แย่งตำแหน่งแย่งเก้าอี้หรือมาต่อสู้จะเอาเราก็ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องไปด่ากันอะไรมากเอาพอห้องปากห้องคอมันก็สบายนะแต่ถ้าแม่เราคิดจะอยู่ตลอดกาลนานเนี่ยโอ้โหเอากันที่ตายไปข้างนึงเลยนะเรื่อยขาเก้าอี้จนขาพังไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะอย่างนี้คนเราโดยมากมีแต่คิดจะอยู่ตลอดกาลก็เลยสู้กันจนโอ้ย ทุจริตกันจนไม่มีใครได้อะไรไปได้แต่กรรมนั่นแหละไปนะแต่ถ้าอยู่ในมาร์กเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะเอาอะไรทั้งนั้นเราแค่อยู่ให้พอเป็นไปได้ถ้าเขาสู้มาเราก็สู้นิดๆหน่อยๆเอาพอหอมปากหอมคอให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผเสร็จแล้วเราก็หลบไปเราไม่ได้เอาจริงเอาจังแล้วสู้แบบเล่นๆพอสวยๆงามๆนะอย่างนี้มันโลกมันได้เท่านี้ แต่ถ้าโอ้โหพวกที่ไม่คิดจะออกกันมันเอาเขาก็มันไปฆ่านะถ้าเราไม่ตายเขาก็ต้องตายจริงๆมันตายทั้งสองคนมันไม่เกี่ยวเราไอเขาตายไม่ตายเนะี่ยไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะแต่พวกที่คิดจะอยู่นี่บางทีโอ้โหวุ่นวายนะทำนอกนี้นะครับนี่สัมมาสังกัปปะนี้ไม่ต้องทำจริงนะเป็นแค่ความคิดทางใจสัมมาสังกัปปะนะ เนคขมะสังกัปปะคิดจะออกไม่ต้องออกจริงให้คิดเฉยๆนะอัปยาปาท ะ, ะสังกัปปะคิดช่วยเหลือคิดให้เขามีความสุขเจริญรุ่งเรืองขอให้เขามีความสุขพ้นทุกข์คิดไปแต่ไม่ต้องช่วยจริงให้คิดเฉยๆนะขอให้คนนี้มีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยเขาให้เขาปล่อยตามกรรมเขาแต่ความคิดของเราเนี่ยให้คิดขอให้เขามีความสุขเขาจเจริญก้าวหน้าต่างๆ มีโอกาสล้วก็เดี๋ยวช่วยเหลือเราก็ท้ายด้านวาจาด้านการดําเนินชีวิตให้ถูกต่อไปอันนี้เป็นด้านความคิดเราจะได้มาสํารวจดูนะความคิดกรุณาช่วยเหลืออยากให้เขาหมดทุกข์หรือเอาความทุกข์ออกไปจากเขาไม่คิดเบียดเบียนเนี่ยก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะนะครับเมื่อเห็นถูกก็จะคิดถูกนะครับนะทุกท่านก็ลองสํารวจความคิดดู บางทีความคิดนี้มันดูง่ายกว่าความเห็นเพราะความเห็นมันมันลึกซึง้งแต่จริงๆความเห็นน่ะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมนะอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันละเอียดบางท่านอาจจะเห็นแค่ความคิดเราก็ดูเอาว่าถา้ถามันคิดจะเอานั่นเอานี่นี่มันเห็นผิดแล้วมันจึงคิดผิดท่านก็ไปแก้ความเห็นเสียถ้ามันคิดพยาบาทการคิดแช่งให้เขาตายอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นผิดแล้วไปแก้ความเห็ น, นก็ย้อนกลับ เป็นตัวตรวจสอบนะครับทำนองนี้พอตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นถูกก็จะคิดถูกพอคิดถูกได้บ้างแล้วเราก็เติมความคิดถูกให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นความคิดที่ถูกก็จะไปสนับสนุนให้เห็นถูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงๆทุกองค์มรรมันก็สนับสนุนกันส่งเสริมกันและกันนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฝ่ายสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี้เป็นฝ่ายปัญญา เป็นหมวดปัญญาเรียกว่าปัญญาขันเราอยากจะรู้ว่าเรามีปัญญาหรือเปล่าก็ดูความเห็นว่าเห็นถูกต้องไหมอยากจะรู้ว่าเห็นถูกต้องไหมก็ไปดูคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนไว้อย่างนี้ความเห็นของเราตรงกับท่านเป๊ะไหมถ้าเป๊ะก็ถูกต้องถ้าไม่เปะ๊ะหรือว่าเรียกว่าไปขัดกับท่านอยู่หรือท่านมาขัดใจเราอันนี้คือเราเห็นผิดนะพระพุทธเจ้าท่านสอนถูกอยู่แล้วแน่นอน นะอย่างนี้เนะี่ยหลักการมันมีอยู่ให้เราค่อยๆหัดสังเกตค่อยๆฝึกไปอย่างนี้นะครับนะเห็นถูกก็คิดถูกเนะี่ยเป็นฝ่ายปัญญานะครับต่อไปองค์มรรคข้อที่สก็คือสัมมาวจ a j เป็นคำพูดที่ถูกต้องคาพูดที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องก็เป็นการงดเว้นจากคำพูดที่ผิดถ้าจำเป็นต้องพูดใหนะ้พูดแต่สิ่งที่จำเป็น ถ้าจําเป็นต้องพูดก็พูดแต่คําที่เป็นจริงพูดแต่คําที่ส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจส่งเสริมความสามัคคีกันพูดแต่คําที่ไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานไม่ทิ่มแทงใครพูดแต่คําที่มีประโยชน์นงดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ประการนั่นแหละหลายท่านก็คงรู้จักแล้วงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคําหยาบคายงดเว้นจากการพูด เพอเจอนะอันนี้ทานองนี้นะอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจานะการพูดที่ถูกต้องเป็นคำพูดที่เหมาะสมพูดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะเวลาพูดจำเป็นต้องพูดก็ให้งดเว้นงดเว้นจากคำพูดที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่จำเป็นต้องพูดอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคืออย่าพูด ถ้าจาเป็นต้องพูดก็พูดแต่คำที่เป็นความจริงพูดแต่คำที่ส่งเสริมความเข้าใจกันอย่าไปพูดให้ใครแตกกันเพราะว่าคนมันยังไงมันก็ต้องแตกอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่าไปส่งเสริมเขาเพราะส่งเสริมเขาไม่มีส่วนดีอะไรกับเราหรอกเขาจะเป็นเพื่อนกันหรือแตกกันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่ไปพูดให้คนแตกกันเข้าใจผิดกันนี้อันนี้เราไม่ได้ไปนิพันไม่มีใครปนิพันด้วยการปากเสียอย่างนั้นนะ เราจะต้องไปนิพพานด้วยคำพูดที่จริงๆเท่านั้นโดยคำพูดที่ส่งเสริมความเข้าใจกันเราพูดส่งเสริมตัวเราเองพูดภาษาเราพูดส่งเสริมจิตใจของเราให้ไปทางมรคนั่นเองนะส่วนเราพูดความจริงแล้วเขาจะโกรธเราบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นอีกเหมือนกันประเด็นคือเราเนี่ยให้อยู่ในมรคไว้นั่นเองนะทำตรง น, นี้นะครับพูด ถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่คําที่อ่อนหวานประกอบด้วยจิตเมตตาในการพูดอย่าไปพูดทิมแทงใครเพราะว่าเมื่อทิมแทงคนอื่นก็ทิมแทงจิตใจของเราเองและแน่นอนมันก็เป็นตัวขัดขวางทําให้เราไม่ได้ไปสู่มรรคผลนิพพาน น, นั่นเองอย่างนี้ปากก็สาคัญเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ทุกท่านก็เลยต้องรู้จักให้ดีแล้วก็งดเว้นะการงดเว้นนี่อยู่ในใจน่แหละเป็นมรรคนะ เป็นมักงดเว้นงดเว้นคำพูดที่ไม่ดีต่างๆงดเว้นคำพูดเพ้อเจ้อต่างๆนะีอย่างนี้แม้แต่เล่นลายเล่นอะไรต่อเมื่อไรก็จเจริญมักได้นะถ้ามีความเห็นถูกต้องว่าโอ้เราจะปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนะฉะนั้นเราต้องงดเว้นจากคำพูดที่เพ้อเจ้อต่างๆพอจะเพ้อเจ้อเรื่องอะไรจะส่งเรื่องเพ้อเจ้อเราก็งดซะแล้วก็เอานิ้วกลับมาซะอย่า ก, กดไป แค่นี้เราก็ได้มักแล้วเนี่ยถ้าคนมีความรู้มันก็เจริญมักได้นัเนี่ยว่าไปแล้วแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็เจริญมักได้แต่ไม่ใช่อยู่ที่โทรศัพท์มือถืออยู่ที่จิตของเราว่ามีความเห็นถูกต้องไหมคิดถูกต้องไหมงดเว้นไหมนั่นเองอย่างนี้ทํำตองนี้นะบางคนก็พูดดีมากพูดคําอ่อนหวานค้ข า, ขาแต่ไม่เป็นมักก็มีเพราะว่าคําพูดดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นมักแต่มักเนี่ยมันก็เป็นคำพูดดีนั่นแหละ เราก็เลยต้องมีฝ่ายมร์เข้ามามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาฉะนั้นมร์ ก, ก็เลยเรียงตามระบบที่เหมาะสมในทางจิตของเราเพื่อจะได้ตรวจสอบองค์มร์ได้ชัดเจนถูกต้องถ้าเราอยากรู้ว่าคำพูดของเรานี้เป็นสัมมาวาจาไหมเราก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับว่าคาพูดของเราเนียที่พูดออกมานี้มันคิดถูกต้องไหมถ้าคิดถูกแล้วก็สารวจความเห็นว่าเห็นถูกไหม เราอยากจะไปนิพพานไหมอะไรไหมนะรู้จักไหมว่าเป็นทุกข์เกิดเกิดทุกข์คือคอะไรรู้จักไหมอย่างนี้ทํานองนีนะ้สามารถตรวจสอบได้ไปตามลําดับนะครับทํานองนี้ฉะนั้นวิธีการตรวจสอบมัก้กเช่นถ้าอยากจะรู้ว่าที่เราคิดนี้มันคิดถูกไหมก็ตรวจสอบความเห็นว่าเห็นถูกไหมบางคนคิดมีเมตตาก็จริงคิดมีเมตตาต่อคนเยอะแยะแต่คิดผิดก็มีทําไมมันผิด ก็เพราะมันไม่ถูกเขาไม่ได้ต้องการไปนิพพานเขาต้องการให้ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยมีความสุขหมดเขาก็คิดช่วยเหลือชาวโลกคิดจะทำให้ทุกคนมีความสุขหมดเลยบางคนก็คิดช่วยเหลือสร้างโรงพยาบาลศูนย์นักสร้างนูน่นทางนี้เยอะแยะดีหมดเลยแต่ว่าคนเหล่านั้นบางทีเขาไม่ได้เห็นโทษของโลกเขาไม่ได้อยากไปนิพพานเขายังเห็นผิดอยู่ความคิดมันก็ผิดเหมือนเดิมอย่างนี้ทำตรงนี้ พอเข้าใจไหมครับเราก็เลยต้องดูดูเรียงลาดับนะการจะเข้ามาสู่มรรคได้จะรู้จักว่าอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะในมรรคไหต้องดูสัมมาทิฏฐิก่อนมีเห็นถูกจึงคิดถูกพอคิดถูกแล้วจึงมาพูดถูกนะฮะไม่งั้นมันจะสลับกันไปกันมามันงงนะมันงงไข้กันไปกันมามันงงมันสับสนมันไม่ลงตัว ในใจของเรานั่นแหละพอไม่ลงตัวในใจโลกมันก็เลยไม่ลงตัวไปด้วยมันเลยงงงงมันสลับกันนะเหมือนกับเราพูดเนี่ยปากไม่ตรงกับใจใจไม่ตรงกับความเห็นมันงงนะอย่างนี้ทำนองนี้เช่นเราอยากเห็นคนนี้ตายแต่ว่าสัพเพสัตตาขอให้มีความสุขเถิด <laughs> คือความเห็นของเราเนี่ยอยากเห็นมันตตายไปซะจากโลกไปเนี้ยแต่ว่าเราคิดว่าขอให้มันอยู่นานนมันเลยงงนะอย่างนี้ทานองนี้ พอเข้าใจหครับนี่มันสับสนกันมันสับสนนะเหมือนกับเราพูดดีกับเจ้านายพูดดีพูดดีข้าเจ้านายดีฉันยอมทุกอย่างค่ะแต่ในใจเดี๋ยวกูตบมึงเลยมันงงคือมันมันไม่เป็นมาร์กไงถ้าเป็นมาร์กเนี่ยมันจะไปเรื่องเดียวกันมันจะไม่ขัดแย้งกันเองมันไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งในใจของเราแหละก็เราก็รู้จักว่าชีวิตมันเป็นทุกข์มันยากมันลำบาก ความคิดเราก็เห็นอกเห็นใจคำพูดเราก็เห็นอกเห็นใจมันเรียงกันมามันถูกต้องมันสมูทเกาเรียกว่ามันเป็นไปทางมัคใจของเราก็ไม่มีข้อขัดแยง้งไม่มีข้อขัดแยง้งมันก็เดินไปนิพพานมันก็สงบระ ง, งับที่ขัดแยง้งมันก็ไม่สงบไม่ระ ง, งับนะอย่างนี้หลายท่านก็ขัดแยง้งแม้คำพูดนี่ดีหมดนะยอมดิฉันยอมหมดนะอย่างถ้าเป็นสามีก็ภรรยาพูดอะไรมายอมหมดแต่ในใจนี่เดือดมึนะ เห็นไหมมันไม่ตรงกันนี่คือความคิดมันไม่ได้ที่ความคิดมันไม่ได้เพราะความเห็นมันไม่ตรงเราก็เลยต้องชำระเป็นระบบมาเนี่ยฝ่ายมารคนี่เป็นเรื่องทางใจนะเห็นไหมคำพูดดีจึงไม่ได้เป็นมารคแต่มาร์นี่เป็นคาพูดดีเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ความคิดดีจึงไม่ใช่เป็นมารคแต่มารเคนี่คิดดีอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะ ศีลนี่จึงไม่ได้เป็นมรร์กแต่มารกนี่เป็นศีนลละมันมันคนละแบบกันอย่างเงี้ยทุกท่านก็เลยต้องสํารวจตรวจสอบแล้วก็ชำระให้ดีจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าเพราะว่าจะเอาไปชำระทุกเรื่องเลยชำระทุกอย่างให้มันสะอาดแล้วก็ค่อยๆฝึกให้มันถูกต้องพอมันถูกต้องแล้วมันจะไม่ผิดและมันจะได้ผลจริงนั่นเองอย่างนี้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆ ไม่ขัดแย้งในตัวเองพอในใจของเราไม่ขัดแย้งก็ไม่ขัดแย้งในผู้อื่นไม่มีขัดแย้งกับใครฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอริยะนี้ไม่ขัดแย้งกับชาวโลกเลยเพราะท่านไม่ขัดแย้งในใจของท่านแต่ชาวโลกก็ขัดแย้งกับท่านบ้างเพราะชาวโลกมันมีกิเลสอย่างนี้ทํานองนี้ก็เหมือนกับพวกเรานี้ปฏิบัติธรรมก็แมรู้สึกแม่อยากจะไปนิพพานก็อยากไปอยากไปนิพพานเหมือนกัน แต่อยากนอนก็อยากนอนเอ้ามันงงนะทีนี้มันขัดแย้งกันเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่คือความเห็นมันยังไม่ตรงไม่ถูกต้องนะครับอยากได้ดีก็อยากได้ดีเหมือนกันอยากจะลดความอ้วนแต่ว่ากินเยอะเอ้างงแล้วทีนี้มันมันมันมันขัดแย้งกันเองมันงงมันไม่ตรงกันไม่ลงร่องลงรอยกันมันมั่วพูดภาษาเรามันขัดแย้งกัน ลองคิดดูขนาดใจเราคนเดียวยังขัดแย้งตัวเองแล้วลองคิดดูมันมีกี่ใจในโลกใบนี้มีตั้งเยอะมันก็ต้องขัดแย้งกันเองเราก็เลยขัดแย้งกันด้วยคําพูดบ้างด้วยการกระทําบ้างเลยทะเลาะกันเบาะแหว้งกันเพราะในใจของเรามันก็ขัดแยง้งแต่ถ้ามีมากแล้วมันไม่ขัดแย้งกับใครเพราะว่าใจตัวเองก็ไม่ขัดแยง้งนั่นเองอย่างนี้ฉะนั้นท่านก็สามารถสังเกตได้ว่าเราปฏิบัตินี้มันมีขัดแย้งอะไรกับใครไหม ถ้าขัดแย้งนั่นเรียกว่ามันยังไม่เป็นมาร์กนั่นเองมันยังไม่ลงตัวความเห็นของเรายังยังไม่ชัดเจนเราก็ย้อนกลับไปชําระความเห็นฟังทำให้ดีนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่พูดมาจนกระทั่งถึงข้อสัมมาวาจาแล้วงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นการพูดคําสอดเสียดงดเว้นจากการพูดคําหยาบคาย งดเว้นจากคำพูดเพ้อเจ้อหลายท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะศีลเนี่ยพวกเราก็รู้จักดีแต่ว่าตอนนี้พูดในระดับมรรคเนี่ยจะเอาสัมมาทิฏฐิมาเป็นตัวนํำมาเป็นตัวชำระนะครับต่อไปก็สัมมากัมมันตกนะัก็การใช้กายของเราอย่างถูกต้องเราไปอยู่ที่ไหนก็ให้กายของเรานี้มีประโยชน์เป็นเขตปลอดภัยสำหรับคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายถ้าอยู่ใกล้เราเราไปตั้งอยู่ตรงไหนกายของเราไปอยู่ตรงไหนเขาก็สบายใจว่าไม่โดนตบไม่โดนตีไม่โดนยักยอกอะไรอย่างแน่นอนนะก็กันงดเว้นจากสิ่งไม่ดีทางกายสามอย่างนั่นแหละเป็นสัมมากัมมันตะก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามใช้กายของเราไปในแง่ที่ถูกต้อง กายของเราเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียวช่วยเหลือทําประโยชน์เกื้อกูลอย่างเดียวนะกายของเราเอาไว้บริจาคสละให้อย่างเดียวคอยคุ้มครองรักษาสมบัติของผู้อื่นถ้าเราช่วยทําได้ให้เขารู้สึกปลอดภัยนี่อย่างนี้เป็นการทําสัมมากัมมันตะนี่อย่างนี้นะมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกก็คิดถูกพูดถูกทําถูก ต่อมาก็ข้อที่5ก็เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องนที่มาทำมาหากินมีครอบมีครัวกันเนี่ยก็ให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือเราทำมาหากินนี้เพื่อจะไปนิพพานเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนตายตัวว่าเราจะไปนิพพานจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าการจะเดินไปให้ถึงนิพพานนี้จะต้องมีมรรคเดินไป นะจิตก็ต้องดำเนินไปตามมรรคทีนี้จิตมันต้องอาศัยร่างกายร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหารในการเลี้ยงชีวิตต้องอาศัยที่อยู่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆนะอาหารที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์อย่างดีไม่มีการเบียดเบียนใครไม่โกหกใครได้มาและได้มาเพื่อเลี้ยงชีวิตเพื่อจะปฏิบัติไป น, นิพพานอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะ ไม่ใช่แค่อาชีพที่ดีนะถ้าอาชีพที่ดีเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอแต่เขายังไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้คิดจะไปเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ได้มีสัมมาอาชีวะในแบบมรคนี้นะถ้าจะพูดแบบทางโลกก็พอได้อยู่แต่ว่ามันเป็นทางโลกนะตอนนี้เราพูดในแง่คนที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เพื่อไปนิพพานจะต้องเห็นถูกก่อนคิดจะออกขนาดคิดจะออกยังต้องทางานก็ยังต้องหาเงินมาเลี้ยงชีวิต นั่นเองถ้าไม่หาเงินไม่ทำงานมันก็เลี้ยงชีวิตไม่ได้มันก็จะลำบากกว่าเดิมนะอาชีพที่ดีที่สุดของชาวพุทธก็คืออาชีพที่ไม่มีการเบียดเบียนอะไรใครเลยผู้ให้ก็ยินดีผู้รับก็ยินดีก็คืออาชีพบิณฑบาตอาชีพพระเนี่ยบิณฑบาตอันนี้คืออาชีพที่ดีที่สุดไม่เบียดเบียนใครเลยอย่างเช่นเป็นพระเดินมาบิณฑบาตเนี่ยเราผู้ให้ถวายพระทหารพระก็ดีใจได้บุญพระก็ มีเมตตาต่าอญาติโยมมาโปรดสัตว์ให้โยมได้มีโอกาสทําบุญบ้างเพราะวันๆนี่ไม่ได้คิดอะไรจะให้ใครเลยวันๆคิดแต่จะเอามันคิดผิดทั้งนั้นพอเห็นพระก็คิดจะให้ก็เกิดบุญขึ้นพระก็มีเมตตาเป็นเพื่อนกับโยมอยากให้โยมเกิดบุญกุศลขึ้นมาและบุญนี้จะช่วยโยมใช่ไหมเนี่ยพระก็ได้เมตตาได้บุญโยมก็ได้บุญเป็นอาชีพที่ดีมากนะส่วนอาชีพอย่างญาติโยมเราเนี่ แย่งชาวบ้านกันใช่ไหมแย่งนั่นแย่งนี่กันนะก็ไม่เป็นไรเรียกว่ามันยังไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็อย่างน้อยก็ให้บริสุทธิ์ในแบบที่ทางใจของเราก็ไม่มีการไปคดโกงไม่มีการไปเบียดเบียนกันไม่เป็นอาชีพที่ทำลายผู้อื่นหรือว่าทำให้ผู้อื่นเสียหายต่างๆนะสำหรับญาติโยมก็จะมีอาชีพที่ห้ามไว้เรียกว่ามิจฉาอาชีวะ จะมีอยู่5อาชีพก็คืออาชีพค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษแล้วก็ค้าขายสุรามไรนะอาชีพที่มันทำลายชีวิตคนอื่นทำให้คนอื่นเสียชีวิตทำให้คนอื่นบาดเจ็บล้มตายหรือทำลายสติสัมปชัญญะของคนอื่นนะอาชีพถูกต้อง แล้วก็การเลี้ยงชีพก็ไม่ไปขโมยเขามาไม่ไปยักยอกเขามาไม่ไปโกหกไม่ไปอะไรเขามาก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะให้เข้าหลักในแง่ที่เราหามาเลี้ยงชีพเพื่อที่จะเลี้ยงร่างกายอนุเคราะห์ต่อการประพฤติปรหมจันไปนิพพานอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะครับอย่างนี้ทานองนี้เนี่ยมันเรียงกันมาอย่างนี้นะเรียงมาเนี่ยเป็น ด้านปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะด้านสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เป็นด้านศีลเป็นด้านพื้นฐานที่ถูกต้องถ้ามีพื้นฐานอย่างนี้ถูกต้องก็เรียกว่าเดี๋ยวไปปฏิบัติ ด, ด้านจิตเนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและกําลังจิตก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายังด้านศีลยังไม่สมบูรณ์เช่นว่าเราหาเงิน เพื่ออย่างอื่นอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างด้านจิตหรือด้านการปฏิบัติชั้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะยังยังไม่เต็มที่พูดภาษาเราเพราะเราต้องเสียเวลาไปกับเรื่องหาเงินทางโลกโลกอยู่อะไรอยู่เยอะนะแต่ถ้าเราหาเงินเหมือนกันแต่หาเงินเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีวิตเพื่อที่จะดูแลคนนั้นคนนี้ที่ดูแลนี้ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อให้จะได้ทาหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องจะได้ ปฏิบัติธรรมไปนิพพานเพราะการทําหน้าที่อย่างถูกต้องนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมนั่นเองการหาเงินเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะถ้าเห็นถูกต้องนะถ้าไม่หานี่ยไม่ยอมปฏิบัติบางทีก็ผิดเหมือนกันบางท่านเอาแต่นั่งสมาธิถึงเวลาทํางานนั่งสมาธิถึงเวลาเลี้ยงลูกเดินจงกลมซะถึงเวลาล้างจานก็หลบไปซะหลบไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องมันเอาแต่สบายอย่างเงี้ยนะ นั่งสมาธิเอาสบายอย่างนี้นะคนอื่นเขาเดินจงกรมกันหรือล้างจานกันเขาก็เบรหลบไปทางนั้นทางนี้นะอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องรู้จักให้ถูกต้องเพราะมรคนี้มันเกิดในใจนะไม่มีใครรู้กับเราหรอกมันอยู่ทางใจของเรานี่แหละอย่างนี้นะครับนี้ก็5ข้อผ่านไปแล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ นี้ก็เป็นด้านศีลศีลขันธ์ต่อมาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นด้านจิตด้านจิตด้านฝึกทางจิตด้านฝึกทางจิตนี้ก็ถ้ามีด้านศีลอย่างถูกจ้องด้านถูกต้องในความเพียรก็จะถูกต้องแล้วต่อไปเราก็จะมุ่งเน้นทำความเพียรเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อเข้าถึงกุศลต่อไปความเพียรทั้งหมดที่เราทา อาจจะทําในหน้าที่การงานก็ได้ที่บ้านของเราก็ได้ก็ทําความเพียรได้ทั้งนั้นแหละเพื่อจะขัดเกลากิเลสเพื่อจะเข้าถึงกุศลนะอย่างนี้ทํานองนี้นะแต่ถ้าไอข้างบนเนี่ยยังไม่ถูกต้องทั้งหมดความเพียรของเราบางส่วนก็อาจจะเอาไปใช้ทางโลกเช่นว่าไปหาเงินไปหาความร่ํารวยหาความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมันความเพียรกันก็ยังไม่เต็มที่แต่ถ้าทํามาอย่างถูกต้องเรียงลําดับความเพียรก็จะเป็นไปเพื่อ ป้องกันกิเลสเพื่อละกิเลสเพื่อเจริญกุศลเพื่อรักษากุศลอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสติที่ใช้มันก็จะเป็นสัมมาสติสมาธิก็จะเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้งเจ็ดมารวมกันลงเรียกว่าสัมมาสมาธนินี่ก็ครบแล้วองค์มรรคแพูดอย่างรวดเร็วน ะ, นะแจกแจงองค์มรรคพูดประเด็นที่สตัวหลักที่ให้เน้นก็คือตัว สัมมาทิฏฐิเพราะว่าตัวนี้เป็นหัวหน้าเขาในการที่จะนำเข้ามานะ